ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมับจะตกอยู่เรื่อๆก็เลยรู้สึกมืดเครน่องในงนี้ก็ไม่เป็นประเด็นนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนฟ้ากัดถ่ายท่อสดอาจจะรู้สึกว่ามันมืดไปหน่อยภาพไม่ไม่สำคัญเท่ากับเสียงภาพก็ภาพเดิมๆดูแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรมากนะ ไม่เหมือนกับเสียงเสียงทำฟังทำแล้วได้คุณค่าได้ไประโยชน์มากกว่าการเห็นภาพ <c oughs> ฉะนั้นเวลาถ่ายทอดสดแล้วอาจภาพอาจจะมืดครึ้มไปหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เสียงชัดเจนฟังได้เพราะธรรมมันอยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่ภาพที่เรามองกันขมวนนี้เราไม่มีไฟฟ้า อะไรไม่ได้ติดไฟไหวให้เป็นไปแบบธรรมชาติสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีไฟฟ้าท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรมีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่เป็นเหตุที่จะมาทําให้ไม่ตัดสัรู้หรือตัดสรู้ไม่มีกับดีกว่าเพราะสมัยนี้ไฟฟ้ามักจะไปเป็น พวกของกิเลสตันหาพวกที่คอยพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายกันไม่มีกับดีกว่าเพราะว่าความอยากมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้แต่ถ้ามีไฟไฟ้านี่เดี๋ยวมันอยากดูอยากฟังอะไรมนะันก็หาเครื่องดูมาดูหาเครื่องฟังมาฟังกัน แทนที่จะมานั่งทาใจให้สงบก็เลยไปนั่งดูไปนั่งฟังอะไรกันเช่นวัดป่าท่านอย่างนิยมไม่ไม่ใช้ไฟฟ้าเพราเห็นว่าไฟฟ้านี่มันเป็นเป็นตัวที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางการเจริญทางธรรม การเจริญทางโลกมา ก, กับนอาจะสวนทางกับการเจริญทางธรรมถ้าเจริญทางโลกแลาวมัมจะเสื่อมทางธรรมนันเอะการเจริญทางโลกก็จะเจริญทางความโลภโ ก, กรธหลงนี้เองจเจริญด้วยความอยากต่างๆการวัตันห้าภาวะตันหาวิภาวะตันห า, นหาก็เลยจะทําให้ เสื่อมทางศีลธรรมกันเพราเมื่อมีความอยากก็อยากจะได้สิ่งที่อยากแล้วเมื่อต้องทําบาป ก, ก็จะทํากันจะไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมกันดความเจริญทางโลกนี้มันเป็นความเจริญเป็นความเสื่อมทางธรรมโดยที่เราไม่รู้สึกตัววัดป่าของครูบาอาจารย์ ท่านยังไม่มีไฟฟ้าเลสมัยนลองปู่มั่นไม่มีไฟฟ้าสมัยลูกศิษย์งปู่มั่นน้วงตาหลงปู่อะไรต่างๆนี่ท่านก็ไม่มีไฟฟ้าจะมีก็มาตอนตอนที่หลังพอมีญาติโยมมีศรัทธาเข้ามามกาก็ น, นำไฟฟ้าไเข้ามาก็อ้องคอยควบคุมให้ใช้ในสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่ไม่จำเป็นท่านก็ห้ามใช้เช่นท่านห้ามไม่ให้มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ไปในทางกิเลสตัณหาในทางในทางไม่สงบไม่ได้นำไปสูคมสม่ความสงบความสงบนี้ต้องเปียดตาหูจมกูกลิ้นกาย เรียกว่าอินทรีสังวรสารวมตาหูจมูกเนื้องกายเพราะตาหูจมูกเน้งกายนี่มันจะทำให้เกิดตัณหาความอยากเกิดกามะฉันทะเกิดกามะตัณหาอยากดูอยากฟังแล้วก็จะทำให้ใจไม่สงบจากการดูการฟัง จึงต้องปิดตาหูระบกเน้งกายเพื่อที่จะทําใจให้สงบอันนี้ไม่ได้ปิดท้าวอนปิดช่วงที่เราปฏิบัติช่วงที่บําเพ็ญเพื่อที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจให้ทําลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปพอหมดแล้วก็เปิดหูเปิดตาได้จะไปไหนก็ได้จะไปดูจะไปฟังอะไรก็ได้ แต่มันจะดูจะฟังด้วยใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาถ้าไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจถ้าดูและฟังด้วยกิเลสตัณหามันก็วุ่นวายใจกันไม่สบายใจกันอย่างที่ญาติโยมเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่สบายใจกับรูปเสียงกลิ่นต้ น, นี่แหละเห็นรูปที่ไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจ ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราได้กําจัดความโลภความอยากต่างๆแล้วเวลาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงก็จะเห็นแบบเฉยๆไม่มีความรักความชังไม่มีความยินดียินร้ายอันนี้ต่างกันดังนันเวลาบําเพ็ญเวลามาปฏิบัติธรรม ยัควรสัมรวมเอ็ C. ซตาหูจะบอกเน่นกายสมัยนี้ก็ต้องปิดมือถือละปิดมือถืออย่าไปเปิดดูรับข่าวสารติดต่อกับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการส่งใจให้ออกไปทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูแล้วก็จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความดีใจเกิดความเสียใจ เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กับลมหายใจยังมัวไปคิดถึงถึงรูปถึงเสียงที่อยากจะได้ยินอยากจะได้ดูใจก็เลยไม่ก้าวหน้าในทางปฏิบัติก็เลยต้องสังรวม ตาหูจมุกยิงกายสำรู้รูปเสียงเก่งนั่นถ้าไปปฏิบัติจริงๆอยากจะให้ได้ผลจริงๆได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องใจแข็งต้องปิดมือถือต้องไม่รับรู้ข่าวสารทางโลกไปอยู่คนเดียวในป่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามลำพังนั่นแหละใจถึงจะเข้าข้างในได้ แล้วพอเข้าข้างในก็จะเห็นธรรมธรรมนี่มีอยู่ในใจของเราพวกเราทุกคนนะแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราหันหน้าไปทางอื่นแทนที่จะหันหน้าเข้าข้างในเราหันหน้าเราออกไปทางข้างนอกหันหน้าออกไปทางตาหูจมูก น, นิ้วกายก็เลยไปเห็นรูปเสียงเกิดรดไม่เห็นธรรมธรรมที่พระเจ้าทรงเห็นนะคืออริยสัจสี ทุกสมุทัยที่รมุมแรงมันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนในขณะนี้ก็มีอยู่แต่พวกเรามองไม่เห็นกันเวลาทุกข์ก็ไม่รู้ว่ากเกิดจากอะไรเวลาทุกข์ดับไปก็ไม่รู้ว่ามันดับไปเพราะอะไรอันนี้แล้วเราก็เลยไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ได้เพราะเวลาเราทุกข์เราก็ไปแก้ที่อื่น ไม่ได้ไปแก้ที่เหตุของความทุกข์แล้วก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาดับความทุกข์กันเวลาไม่สบายใจก็ต้องหาอะไรมาดูมาฟังเพื่อทำให้มันสบายใจแต่แทนที่สบายใจบางทีกับวุ่นวายใจมากขึ้นไปซะอีกจากการดูจากการฟังบางคนนี้ไม่สามารถ ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ก็เลยคิดว่าต้องอกำจัดร่างกายนี้เลยค่าร่างกายนี้เลยมันจะได้ไม่มารับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะพอพ อ, พอมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเช่นคนที่สูญเสียสิ่งที่รับไปก็จะคิดอยู่ถึงกับสิ่งที่เสียไป อ, อยากจะได้คืนมา พอไม่ได้คืนมาก็ทุกข์ใจทรมานใจก็อยากจะหนีจากเรื่องราวที่เป็นอยู่ก็คิดว่าถ้าถ้าร่างกายแล้วมันก็จะดับทุกข์ได้แต่มันก็ไม่ดับเพราะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่จะร่างกายทุกข์มันอยู่ในใจเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งต่างๆที่ หายไปเสียไปนั่นกลับคืนมาคนที่เสียคนรักก็อยากจะได้คนรักกลับคืนมาคนที่เสียสิ่งที่รักก็อยากจะได้สิ่งที่รักกลับคืนมาพอไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็ข่าตัวตายดีกว่าฆ่าร่างกายก็ยังไม่ร่างกายไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ เราวุ่นวายใจกันทําให้เราทุกข์ทรมานใจกันตัวที่ทําให้เราทุกข์ทรมานใจคือความอยากได้สิ่งต่างๆกลับคืนมาเราต้องฆ่าตัวนี้ถ้าเราจะถ้าเราต้องการกาจัดความทุกข์เราต้องมาฆ่าตัวความอยากนีอยากให้ของที่เรารักกลับคืนมาอยากให้แฟนที่เราเสียไปคนที่เรารักเสียไป ลูกหรือลกก็ได้แฟนก็ได้อะไรที่เรารักแล้วจากเราไปอยากจะให้คืนมามันก็ไม่มีวันจะคืนมาแล้วคนตายไปแล้วมันจะกลับมาได้อย่างไรถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าอสิ่งที่เสียมันก็ต้องเสียไปไม่ช้าก็เร็วไม่มีมันเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ เวลเรามาเกิดเรามีอะไรติดตัวเรามาบ้างแฟนก็ไม่มีติดตัวมาลูกก็ไม่มีติดตัวมาสมบัติอะไรก็ไม่มีติดตัวมาทำไมตอนนั้นเราอยู่ได้ตอนนี้ทำไมเราอยู่ไม่ได้อันนี้เรียกว่าวิธีกำจัดความทุกข์กำจัดด้วยปัญญาให้เห็นว่าเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ที่เราทุกข์ก็เพราะเราอยากให้สิ่งที่เรา ดีอยู่นี่ที่เสียไปนี่กลับมาหาเราใหม่แต่มไม่กลับแล้วของบางอย่างมันไปแล้วไปเลยเนียเช่นคนตายตายไปแล้วตายไปเลยไม่มีวันจะกลับคืนมาปริญญาให้กลับคืนมาก็จะทุกไปต่อไปนี่คือต้องฆ่าตัวนี้ฆ่าด้วยปัญญาที่เห็นว่าทุกอย่างไม่เทียงต้องมีวันพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดา มันไปก็ปล่อยมันไปเรายังอยู่เราก็หาใหม่ได้หาไม่ได้ก็อยู่กับแบบไม่มีก็ได้คนที่เขาไม่มีอะไรเขาก็อยู่กันได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรพระอานานตสาวกท่านก็ไม่มีอะไรแฟนก็ไม่มีลูกก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรต่าก็ไม่มีมีท่านก็ตัดไปหมดแล้วทิ้งไปหมดแล้วไม่สนใจท่านก็เลยอยู่อย่างสบายเพราะท่านไม่มีความอยาก ที่จะมีอะไรหรืออยากจะให้สิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่กลับมาพระพุทธเจ้าไม่เคยอยากจะกลับไปเป็นพระราชกุมารท่านเคยอยู่ในวังมีปราสาทสามฤดูพอท่านออกบวชท่านก็ไม่เคยคิดอยากจะกลับไปหาปราสาทสามฤดูไม่เคยคิดอยากจะไปหาสิ่งต่างๆที่ท่านเคยมีอยู่เพราะไม่มีความอยากก็ไม่เดือดร้อน แต่คนที่มีความอยากได้สมบัติคืนมาเวลาเสียสมบัติไปโอ้อยากจะได้คืนมาทรมานจิตทรมานใจเหลือเกินอยากยังไงก็ไม่ได้คืนมาก็ไม่อยากจะอยู่ก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีจากสาภาพอันนี้แต่สาภาพอยากจนสาภาพที่สูญเสียสิ่งต่างๆสิ่งเนื้อปราตัวนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทาให้เราทุกข์กัน สิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันคือความอยากไม่ให้เป็นอยู่ในแบบนี้ไม่อยากจะอยู่แบบสิ้นเนื้อประดาบตัวอยากจะได้สมบัติต่างๆขึ้นมาอยากจะได้สิ่งต่างๆขึ้นมาพอไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายค่าร่างกายก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมมันก็ยังไม่ได้ไดกลับขึนมาเหมือนใจอยากได้สิ่งต่างๆกลับขึ้นมา มันก็ทำให้ใจต้องกลับมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่มาหาสิ่งต่างๆมาหาทรัพย์สมบัติมาหาข้าวของเงินทองมาหาอะไรต่างๆนี่คือปัญหาของพวกเราความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความอยากของเรานี่คือธรรมที่พวกเรามาปฏิบัติเพื่อมา มาค้นหากันมันอยู่ในใจเราความทุกข์นี่ก็เป็นธรรมอย่างความจริงอย่างหนึ่งต้นเหตุของความทุกข์ก็เป็ MIT นความจริงอย่างการดับของความทุกข์ก็เป็นความจริงอย่างวิธีดับความทุกข์ก็เป็นความจริงอย่างที่เราไม่รู้ก yup ันเวลาเกิดความทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราเลยไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์กัน เวลาทุกใจก็ถ้าเสียอะไรไปก็ไปหาอันใหม่มาแทนเสียแฟนเสียแฟนเก่าไปก็ไปหาแฟนใหม่มาทดแทนเดี๋ยวได้มาไม่นานเดี๋ยวก็ต้องเสียไปอีกนะเพอทุกอย่างมันไม่ถาวรทุกอย่างมันชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปใหม่อยากจะได้อะไรกลับคืนมาถ้าหาได้กลับคืนมาก็อยู่กับเราไปสักระยะนึง แล เ, เดี๋ยวก็ต้องจากกันนีกเพราะในที่สุดร่างกายนี้มันก็ต้องตายพอร่างกายตายของทุกอย่างที่เราหามามันก็จะหมดไปแล้วเราก็จะทุกข์อีกเพราะเรายังอยากจะได้สิ่งต่างๆกลับคืนไว้เราก็เลยต้องกลับมาเกิดใหมก่กลับมาทุกข์ใหม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาหาสิ่งต่าง ๆ, ๆม่อีก หาได้เท่าไหร่มันก็เดี๋ยวก็ต้องจากกันไปเห็นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากอยากไปอยากมีอยากไปอยากให้สิ่งที่มีแล้วศูนย์ไปกลับมามันไปให้มันไปเลยมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเราเหนความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเราก็ปล่อยวางเสีย มีก็ไม่ยึดไม่ติดไปก็ไม่เสียใจไปก็ไม่ได้อยากให้กลับมาอยากจะไปก็ไปไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้เวลาไม่มีความอยากแล้วมันอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้มีความสุขมากกว่ามีอะไรต่างๆพล้วมีอะไรต่างๆก็จะยึดจะติดแล้วก็เวลา อากไปก็จะเสียใจถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่อยากมีอะไรเพราะมีมันก็เป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปก็อยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีได้ก็ต้องอยู่แบบไม่มีความอยากต้องหยุดความอยาก เลิกความอยากต่างๆวิธีจะเลิกความอยากได้ก็ต้องมาปิดตาหูจมูกนิ้งกาเพราะการเปิดตาหูจมูกนิ้งกก็เป็นการเปิดความเปิดให้ความอยากออกมาเพ่นพ่านนั่นเองความอยากถ้เปบียดเหมือนวัวควา ย, ยาถ้าเราไม่มีอคอกล้อมมันไว้เดี๋ยวมันก็ออกไปเที่ยวเพ่นพ่านตามที่ต่างๆ แล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นวัวควายเขาถึงต้องล้อมคอกเอาไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและเจ้าของที่ต้องไปรับผิดชอบกิเลสตัญหาก็เป็นหน่วนวัวควายของพวกเราเราต้องล้อมคอบมันต้องปิดตาหูจมูกนิน้นกายอย่าให้มันไปดูไปฟังไป ลิมมรสนมกลิ่นไปสัมผัสแก้วลายเพรพมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอ เ, เกิดความอยากก็ทำให้เราต้องไปลิ่นโนหามันแล้วก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไปแก่งแย่งชิงดีกันแล้วก็อาจจะไปทำบาป ท, ทำกรรมกันกลายเป็นเรื่องราววุ่นวายขึ้นมา เราต้องปิดตาหูจมูกยิ่งกายเราจะได้ไม่ไปแยกรูปเสียงเก็บยวดกั น, กนพอมันอยู่ข้างในแล้วเราก็จะได้มีเอาเชือกมาผูกมันได้น้อมคองมันไว้ก่อนพอล้อมเล่าขั้นต่อไปก็ไปเอาเชือกมามัดตัวมันไว้มัดไว้กับเสามันจะได้ไม่ดิ่ง เมื่อมันแม่นงแน้มัดตัวนันกับสาวได้แล้วท่านต่อไปก็เอามีดมาฟันหัวมันเลยฆ่ามันเลยโรคนี้เป็นตัวอันตรายกับจิตใจถ้าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนกับร่างกายก็เป็นเหมือนเชื้อโรคถ้ามีเชื้อโรคนี้เราก็ต้องทำลายมัยโรคภัยไข้เจ็บถึงจะหายไปถ้ายังมีเชื้อโรคอยู่เดี๋ยวมันก็ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย โรคบางชนิดยังไม่มียาที่ฆ่าได้แต่มียาที่ที่ที่กดมันไว้ได้ก็ต้องใช้ยากดไปเรื่อยๆเช่นโลกเอชสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็มียากดกันไว้ไม่ให้มันเจริญเติบโตแต่มันยังไม่ตายถ้าเลิกกินยาเมื่อไหร่หยุดกินยาเมื่อไหร่มันก็จะแผ่ขยายขึ้นมาอ ยาที่จะมาฆ่าทำลายกิเลสตัณหาเนี่ก็มีอยู่สองสองชิสองชนิดชนิดที่เพียงกดเอาไว้แลนะชนิดที่ตักฆ่ามันชนิดที่กดเอาไว้ก็เนี่ยเหมือนชื่อกเที่ยมาจับมัดจับมัดวควายให้มันอยู่กับหลับไม่ให้มันมดิ้นได้อันนี้ก็เป็นการหยุดมันชั่วคราว ถ้าเชือกขาดเมื่อไหร่มันก็ดื่นได้มันก็จะแหกคอกไปได้แหกคอกออกไปเนี่ยหนีไปเที่ยวได้แต่ถ้าอยากจะทําลายมันอย่างถาวรหลังจากที่มัดมันไม่แล้วก็ต้องเอามีดมาฆ่ามันมีดที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาก็คือปัญญาส่วนเชือกที่จะมามัดกิเลสตัณหาก็คือสติ มีสติมันก็จะสามารถรับความโลภความโกรธความอยากได้แต่ไม่ไม่ทำลายไม่กาจัดมันได้เพียงแต่กดมันไว่พอกดมันไว้แล้วถ้าอยากจะให้มันตายก็จะเอาปัญญามามาฟันมาฆ่ามันอีกทีเพราะว่าปัญญาจะไปฆ่าตัวเหตุที่ทำให้มันเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา ตัวที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาก็คือตัวความหลงหลงคือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสปัญญาก็จะมาสอนใจว่าความสุขอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ไม่มีความโลภความอยากที่ ที่มีความโลกความอยากคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็หมดไปเมื่อกี้ไปกินอาหารมากินเสร็จแล้วเองเหมือนเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็อยากกินขึ้มาใหม่ะกินกีข่ขครัง้งกี่คราวเดี๋ยวมันก็อยากอยู่นั่นดูอะไรก็ดูเสร็จแล้วก็หมดไปแล้ว เดี๋ยวก็อยากดูใหม่ขึ้นมานี่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขอยู่ที่การไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็สบายอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขได้ที่อยู่ไม่เป็นสุขกันก็เพราะความอยากนี่อยากไปนูน่นอยากมานี่ไปแล้วได้ไรไปก็ไม่ได้ไรกลับมาก็เหมือนเดิมไปแล้วก็อยากจะกลับมา แล้วไปทำไมก็อยู่ที่นี่ไปเลยไม่ดีกว่าเวลาอยู่บ้านก็อยากจะออกไปข้างนอกพอไปข้างนอกแล้วก็อยากจะกลับบ้านก็ อ, <c oughs> <c oughs> อย่างเนี้ยไปไปมาๆอย่างเนี้ยแล้วได้อะไรมันไม่รู้จะทำไงเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่แล้วมันอึดอัดมันหงุดหงิดําคาญใจ <c oughs> ต้องออกไปซะหน่อย ออไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านนะแลนะเนี่ยมันก็หลอกให้เราไปเรื่อยๆเนี่ยความหลงวิธีที่จะอยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปงั้นนะก็หยุดความอยากออกไปสิอย่าไปทําตามความอยากมึงอยากจะไปครูว่าให้มึงไปคูจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอความอยากมันหมดฤิด์มันหมดกําลังมันก็อยู่อย่างสบาย ไอ้ตัวที่สร้างความหงุดหงิดลำคาญใจก็คือตัวความอยาก่องนอกบ้านนี่แหละไม่ใช่ตัวไหนหรอกแล้วก็ไอ้ตัวที่ทําให้เราอยากจะกลับมาบ้านก็ไอ้ตัวนี้แห่ะพอออกไปแล้วก็อยากจะกลับบ้านถ้าไม่ได้กลับบ้านก็หงุดหงิดลำคาญใจเลยเวลาอยู่บ้านก็หงุดหงิดเวลาไม่อยู่บ้านก็หงุดหงิดแน่จะเอาอะไรกันแนะ่เนี่ยความอยากมันไม่มีวันหมด ทมตามความอยากแล้วมันก็จะต้องทำไปเรื่อยๆพระพตทธจ้ายังสอนว่าเรามาหยุดความอยากกันหยุดความอยากด้วยสติพุทโธพุทโธไปเวลาอยากจะออกนักบอนกับพุทโธ ท, ทัองพุทโธไปอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะออกไปถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมพอลืมื่องความอย า, ออกอมากของนอกมันก็หายไป ใจก็สบายอยู่บ้านได้ไม่ต้องไปข้างนอกและถ้าจะจากาจัดความอยากออกไปข้างนอกอยากท้าวันก็ะบอกไปทำไมไปแล้วก็เปเหนื่อยกว่ า, ามาแล้วต้องไปเสี่ยงภัยกับภัยต่างๆบนท้องถนนเสี่ยงภัยกับคนเสี่ยงภัยกับอะไรสารพัด ส, สารเพอยู่บ้านปลอดภัยกว่าสบายกว่า อย่าออกู่กว่าอยู่บ้านอีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันอยากดูอยากฟังก็อยากไปดูดูแล้วก็ไม่พอไม่เองแล้วเวลาไม่ได้ดูก็ทุกข์อยากไม่อยากมันดีกว่าไม่อยากดูไม่อยากฟังแล้วก็จะสบายไม่มีความอยากดูอยากฟังแล้วก็จะสบายมันอยากก็ปล่อยให้มันดิ้นไปเดี๋ยวมันก็หมดแรงไปเอง มันอยากจะดูแล้วก็อยากไปดูมันอยากจะฟังแล้วก็อยากไปฟังปล่อยมันอยากไปเดี๋ยวมันก็หมดกำลังเองครับถ้ามันออกลทิ์ออกเดชสร้างความหมุนยึดหมุนข่าวใจเราก็ใช้สติช่วยพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดพอมันไม่คิดเดี๋ยวมันก็หายอยากล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไป คามอยากจะออกไปก็ไม่ไม่มีเพราะรู้แล้วออกไปนั้นเป็นเป็นทิศเป็นไัยกว่าอยู่บ้านไปนั้นเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีไปทําไมก็อยู่บ้านไปตลอดไม่ดีกว่าไม่เหนื่อยไม่ต้ อ, อาบน้ําแต่งตัวไม่ต้องเสียเงินเสียทองจากค่ารถไถ่ค่าน้ํามันเนี่ยธรรมะมันอยู่ข้างในยังไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมี ไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรเพราะดู้วมันเป็ น, ปนฟืนเป็นไฟขึ้นมามันไม่ได้เป็นความสงบมันไม่ได้เป็นความสุขดูรูปดูหนังดูฟังดูเสียงฟังเสียงแล้วเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ุ่นวายใจขึ้นมาไอเห็นรูปที่ไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจ วัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริงๆเขาถึงจะไม่ใช้ไฟฟ้าจะได้ตัดปัญหาอย่างนเดี๋ยวก็ต้องมีทีวีมาแล้วต้องมีโทรศัพท์แนละ้วต้องมีอะไรมีวิทยุมีอะไรต่างๆเข้ามาถ้าไม่มีไฟฟ้าพอมันมืดทุกคนก็อยู่ที่ปติอยู่ที่พักแล้วก็ดึงใจเข้าข้างในนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไป หนึ่งใจก็ไปห า, าธรรมะไปหาไปหาทุกขสมุทัยนี่รุ่ดมากพอเกิดทุกข์ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากาก็ใช้ปัญญาหยุดมันเพราะว่าสิ่งที่เราอยากเหมันเป็นทุกข์อยากไปอยากดีกว่าเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องจากเราไปเรือที่เราทุกข์ตอนนี้ก็เพราะเราไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ ตอนที่เราไม่มีก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่อยู่กับเราแล้วเราไปเอามาเกรั้งเนี้ยมันก็จากเราไปไปดู่ครั้งมันก็หมดไปไปฟังเกรั้งมันก็หมดไปไปกินไปเด็กเกรั้งมันก็หมดไปถ้าใช้ปัญญาก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สามารถเก็บไว้อยู่กับเราได้ตลอดไม่ได้เป็นของเราตลอด เป็นของเเดียวเดียวขนมเวลากินนี่ก็เป็นของเราพอกินปั้บมันก็หายไปหมดแล้วอะ <c oughs> กลายเป็นของห้องน้ําไปนะกินขนมแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปต้องไปให้ห้องน้ำนะเอาเข้าไปถ่ายที่ห้องน้นะําหมือนถ้าถ้าเราเปิดตาหูจหมุกเล่นกายแล้วดึงใจให้เข้าข้างใน ให้ใจสงบแล้วเราก็จะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากขึ้นมาภายในใจแล้วเวลาเกิดความทุกข์ก็รู้ว่าเกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากเสืยอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากมันไม่ได้ทํานำไปสู่ความดับทุกข์มันนำไปสู่การ ม, มีทุกข์เพิ่มมากขึ้นตอนอยากได้อะไรพอได้มาก็ดีใจเดียวๆ แล้เดี๋ยวสิ่งที่ได้มาจากไป ก, ก็เสียใจเสียใจมากกว่าตอนที่ไม่มีใช่ตอนที่ไม่มีก็อยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเพราะเกิดความอยากอยากจะมีกับเขาเท่านั้นเองพอหยุดความอยากมีได้มันก็หมดปัญหาไปมันก็อแต่พอหยุดไม่ได้ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาต้องมาห่วงมัวหวง แล้วก็เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องจากกันดีๆเขาไม่ไปเราก็ไปอันนี้จะทำให้เราแก้ปัญหาที่ถูกจุดถ้าเราเป็นใจเข้าข้างในเราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเรา mm hmm. เกิดจากความโง่ของเราที่ไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ให้ความสุขกับเราถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการให้ความทุกข์กับเรา การทำตามความอยากนี้จะพาให้เราไปพบกับความทุกข์ต่างๆการไม่ทำตามความอยากการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นการดับความทุกข์เป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้าไ ม, ม่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้หรอกที่พูดให้ฟังนี้ก็ฟังไ้อย่างนั้นละเดี๋ยวพอทุกข์ใจขึ้นมาก็ทำตามความอยากทันทีพอใจอยากได้อะไรก็ไปทำทันที พอได้แล้วก็ดีใจเดีย ว, วเดียวแตนเดี๋ยวก็ทุกกับสิ่งที่ได้มาแลเวลาอยากได้แฟนก็ไปมีแฟนพอได้แฟนมาก็ดีใจแล้วพอต่อเนื่งก็เริมากังวลกับเรื่องแฟนแะ้มาห่วงแฟนมาห่วงแฟ น, นะล้าเดี๋ยวเวลาแฟนจากไปก็เสียอกเสียใจเกืดปัญญาต้องคิดอย่างนี้ ถึงจะทำให้หยุดความอยากต่างๆได้ว่าการอยากได้สิ่งต่างๆนั้นเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขการจะหาความสุขก็คือต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากเพราะถ้าไม่ทำตามความอยากได้แล้วความทุกข์จะไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความสุขนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย เรื่องของการดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกิ่นลบเพื่อจะได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะอยู่เป็นปกติสุดเหมือนที่ตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ที่เฉกันได้เพราะตอนนี้ไม่มีความอยากลุกกันถ้าเกิดมีความอยากลุกนีนั่งไม่ได้แนละ้วตอนนี้ยังไม่มีแต่ไม่ไม่ได้แสดงว่ามันหมดนะเพราะว่าตอนนี้มันมันยังไม่อยากลุกตอนนี้ยังอยากนั่งฟังอยู่ ก็เลยไม่ลุกถ้าเกิดอยากจะลุกขึ้นมาแล้วนั่งนั่งต่อไปไม่ได้ละหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาแล้ะถ้ามันหงุดหงิดลำคาญใจก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความอยากจะลุกพออยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็เลยอยากจะลุกก็นั่งต่อไปได้ต้องขยันพุโทโธนะ ถ้าอยากจะทําใจให้สงบทําใจให้ไม่อยากนี้ต้องขยันพุโทโธต้องหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เนี่ยว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นสุขปลอมสุขเดียวเดียวสุขที่มีความทุกข์ตามมาอย่างมากมายเมื่วานนี้ที่เราทุกข์ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับเรื่องของของที่เรามีเท้งนั้นมีเงินมีทองพอ สูญเสียเงินทองไปก็ทุกข์เลคนที่ไม่มีเงินทองก็ไแม่ก็ทุกข์เลยเพราะเขาไม่มีไรต้องสูญเสียขอทานก็เห็นทุกข์กับเรื่องการสูญเสียเงินทองเพราะเขาไม่มีเงินทองที่จะสูญเสียก็มีแต่ความทุกข์กับการอยากจะได้เงินทองถ้าก็ฉลาดหน่อยว่าอย่าไปอยากได้มานล้วได้มาแล้วเดี๋ยวก็งต้องทุกข์มากกว่าตอนนี้ส่ตอนนี้ไม่มีก็ทุกข์แบบ ตอนที่ได้มาแล้วเสียไปนี่จะทุกข์มากกว่าเราจะเห็นธรรมไดนะ้เห็นนารยาศาสตร์ได้เราต้องเข้าข้างในต้องนึ่งใจเข้าข้างในพอใจเข้าข้างในแนละ้วจะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะเห็นเลยว่าเกิดจากความอยากและเวลาดับความทุกข์ก็เห็นเลยว่าเกิดจากปัญญา ว่าเห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขก็จะเลิอกอยากหมดหายอยากเวลาไม่มีความอยากแล้วก็อยู่สบายไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าร่างกายมันตายไปใจ ก, ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากให้ร่างกายอยู่ มันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปที่เราเดือดร้อนกันเพราะเรายังอยากให้ร่างกายอยู่กันพอ ร, ร่างกายจะตายนี่โอ้ทุกข์กันมากทารมานเพราะไม่อยากให้มันตายอยากให้มันอยู่แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็เฉยๆอยู่มันได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปเท่ากันผลเท่ากันทางจิตใจใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการอยู่หรือการไปของร่างกาย ด้นถ้าเราอยากจะมาพบกับความสุขที่แท้จริงมาหยุดความทุกข์ต่างๆเราต้องดึงใจเข้าข้างในต้องปิดทวานทั้งห้างตาหูจมูกเลี้ยงกายแล้วก็ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบแล้วก็สอนใจว่าการทําตามความอยากเป็นการเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยาก ไม่มีความอยากแล้วก็ความความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีการมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีที่มาเกิดก็เพราะยังมีความอยากยังอยากหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็เลยต้องมีตาหูจมูกเลื่นกายก็ต้องมามีร่างกายเพราะร่างกายมันมีตาหูจมูกเลื่นกายเย่งกลับมาเกิดกันเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ถ้ายังไม่หมดกรรมก็ไปเป็นเลยาชานก่อนถ้าหมดกรรมก็มาเป็นมนุษย์ต่อมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบาปสร้างกรรมกันใหม่สร้างบุญกันใหม่แล้วตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา พบกับพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราหยุดความอยากเพราะความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจนั <there> <hockey> ่นเองการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขใจหยุดความอยากได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาเพราะจะไม่มีอะไรต้องทุกข์ด้วยไม่มีเงินทองต้องทุกข์ด้วยไม่มี คอบครัวต้องทุกข์ด้วยไม่ต้องมีอะไรต้งทุกข์ด้วยความทุกข์อยู่ที่การเป็นมีอะไรต่างๆมีแล้วก็ต้องทุกข์เพราะอยากจะให้ไม่จากเราไปแต่ของทุกอย่างมันต้องจากเราไปพอมันจากไปก็ทุกข์เวลายังไม่จากก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่ารู้ว่าจะต้องจากแต่ไม่อยากให้จาก นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาจะทำให้เรามาแก้ปัญหาของเราคือความทุกข์ใจของเราได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะแก้ด้วยการไปทำตามความอยากอยากได้อะไรก็ไปทำเลยอยากดูอะไรก็ไปดูเลยพอได้ทำได้ดูก็ดีใจสนุกสนานกันพอกลับมาบ้านก็บมดไป อยากจะไปดูใหม่อยากจะไปฟังใหม่อยากจะไปทําอะไรใหม่พอร่างกายแก่ทงไม่ไหวก็ทุกข์พอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไม่มีเงินทองจะไปเที่ยวกับทุกข์กันแล้วอันนี้คือความทุกข์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันว่าเกิดจากการทำตามความอยากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะไม่มาแก้ที่ความอยากกันเราจะไปแก้ที่ ที่ความต้องการอยากได้อะไรก็ไปทําขาดอะไรอยากได้อะไรก็ไปหามากันหามาแล้วก็กลายเป็นกองทุกข์ขึ้นมาเราจะต้องห่วงต้องห่วงต้องวิตกต้องกบนันแล้วก็ต้องเสียบ อ, อกเสียใจยเวลาพลาดพลาดจากกันดังนั้นเราได้มาพบกับวิธีแก้ความทุกข์แล้ววิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ขอให้เรานํามาไปใช้เถอะไปปิดตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่วาดกันไปรักษาศีลแปดกันเราก็ไปฝึกสติพุทโธพุทโธเพื่อทําใจให้สงบเราก็สอนใจให้ฉลาดว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขกันเพราะความสุขที่เราได้รับมันเป็นความสุขชั่วคราว ความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วลับลองได้ว่าเราก็จะดับความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆได้หมดใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขเป็นบรลมาสุขบำละมังสุขหยถึงแปลว่าสุขแท้ เป็นสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกียรตรสอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวแต่ความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่ได้จากรูปเสียงเกียรตรสนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวเราก็ต้องจากกัน ฉะนั้นขอให้เราในศรัท ธ, ธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติกันให้ได้ต้องต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้เราอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนพวกเราให้เหนื่อยกัหเปล่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวก พวกสัตว์ในราชานี้ปฏิบัติไม่ได้ท่านยังไม่ไปสอนพวกสัตว์ในราชาท่านมาสอนมนุษย์อย่างพวกเรานี้เพราะท่านรู้ว่าพวกเราปฏิบัติได้ดงั้นเราอย่าไปปิดกั้นตัว เ, เองโดยไปคิดว่าโอ้ยเราไม่มีวาสนาะเราไม่มีบุญเราเราปฏิบัติไม่ได้อันนี้มันเป็นความคิดของกิลเลสเราไม่ต้องการให้เราปฏิบัติกันเราต้องมองคนอื่นที่เขาปฏิบัติได้ว่าเขาเป็นใครเขาต่างจากเราตรงไห น, น เขาก็มีอาการ32เหมือนกันเราเลยนะมีตาหูจมกมีผมขนเล็ฟันหนังเนือ้อเอ็นกระดูเหมือนกันเขาปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้เขามีกิเลสนันเราเราเขาปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้เขาบรรลุได้เราก็บรรลุได้เราต้องคิดอย่างนี้แล้วเราถึงจะ เ, เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติถ้าเราไปมาว่าโอ้เขาเ ก, กว่าเราเขาดีกว่าเรา เขามีบุญมากกว่าเราเราไม่มีวันหรอกที่จะปฏิบัติเราจะไปรู้ได้ยังไงเรายังไม่ได้ลองปฏิบัติเลยเพ่งไปคิดก่อนไว้ก่อนนะคิดอย่างนี้ก็เป็นการปิดกั้นตัวเองเหมือนเด็กที่เข้าโรงเรียนพ อ, พอเริ่มปอนหนึ่งไปมองคนที่จบปริญญาก็บอกโอ้ยเราคงไปไม่ไหวนะถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะไปโรงเรียนแต่ถ้าคิดว่าเขาก็เริ่มที่ปอหนึ่งเหมือนเรา เขาก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาขึ้นปสองเดี๋ยวเขาขึ้นปสามเราก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ขึ้นปสองขึ้นปสามไปเองแหละ <m> คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราปฏิบัติได้ว่า เ, ออเขาก็ทําบุญแล้วก็ทําบุญเขารักษาศรรรลีลเราก็รักษาศีลตอนต้นก็ล้มลุกคลิกคัคคนทําบ้างไม่ทําบ้างขาดบ้างเกินบ้างต่อไปก็ทําให้มันมากขึ้นให้มันสม่ําเสมอขึ้น เดี๋ยวมันก็ได้เองเนี่ยขอให้ทาไปเถอะทาแล้วอยากหยุดร่บนองแล้มันจะต้องได้แ น, น่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ถ้าไม่ทําเลยพอเริ่มต้นจะทําก็บอกว่าทําไม่ได้นะ้อยางนี้ก็จบแล้วอย่างนี้เป็นพวกพวกปรปทะประมะเลยเป็นพวกที่สอนไม่ได้สอนไปก็เสียเวลา mm hmm. ก็เหมือนพวกเดรัจฉานนี่ เดจราชกานก็สอนไม่ได้แต่เดวรชาชการนี่สอนไม่ได้จริงๆเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะฟังภาษ า, ามนุษย์ได้เขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจของหลักธรรมต่างๆได้เรื่องรานี้ฟังแล้วเข้าใจสามารถนำออกไปปฏิบัติได้งนั้นอย่าให้ความคิดแบบนี้มาหลอกเราเราต้องคิดว่าคนอื่นก็ปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้ เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขาเขามีกิเลสตัณหาเหมือนเราเราก็มีเราก็มีกิเลสตัณหาเหมือนเขาไม่ต่างกันตรงไหนเขาขยันเราก็ขยันได้เขาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แลเราก็จะปฏิบัติกันได้แล้วก็เราปฏิบัติได้เดี๋ยวเราก็ได้ผลกันเองปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่เราไม่ปฏิบัติกัน อยากได้ผลแต่ไม่อยากปฏิบัติพอปฏิบัตินิดปฏิบัติหน่อยก็ยกธงขาวแล้วอ้อยไม่ไหวแล้ว่ให้ไปอยู่วัดสักสามวันก็จะตายให้ได้นะให้หยุดดูรูปเสียงเก็บ้วสักพักหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วอันนี้เราต้องอยาบไปไหวให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องฝึกสติให้มากว่า อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นดอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็จะทิ้งมันได้อยู่ห่างจากมันได้แล้วพอเราอยู่ห่างจากมันเราจะเห็นว่าสบายขึ้นอยู่ใกล้มันแล้ววุ่นวายพอไปอยู่ห่างจากสิ่งต่างๆแล้วใจจะสบายไม่มีเรื่องมารบกวนใจเ็จะเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากการที่ไปยุ่งกับเรื่องรเรื่องราวต่างๆนี้ พอแยกออกไปอยู่คนเดียวไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปความเย็นใจความสบายใจก็ปรากฏขึ้นมาต้องพยายามปฏิบัติกันทุกคนที่ปฏิบัติได้นี่เขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยตอนต้องก็คิดว่าปฏิบัติไม่ได้กันแต่พอลองปฏิบัติเข้าจริงๆก็ปฏิบัติได้ เวลาเราเกิดมาตอนที่เป็นเด็กทารกเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเดินกันได้ยืนกันได้ตอนเป็นทารกก็มีแต่คลานอย่างเดียวแต่พอมันพยายามขึ้นหัดยืนมันเดี๋ยวมันก็ยืนได้พอยืนได้ก็หัดเดินก็เดินได้เดินได้หัดวิ่งก็วิ่งได้มันไปเป็นขั้นเป็นตอนของมันขอให้เราทำกันเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกก็หัดทาบุญทาทาน อย่าหัวเงินหัวทองอย่าใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ดีอย่าใช้เงินทองไปซื้อลูกเสียงเก่งเอาเงินมาทำบุญจะได้ตับสะพานของฟิเลตไม่ให้มันไปหาความสุขทางตาหงจมูกเลื่กายพราบรรยากาศเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเงินทองไม่มีอยากยะนดูอยากจะฟังก็ไม่มีเงินทองไปซื้อมาดูมาฟังก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ตัดสะพานเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขเอาเงินทองไปทําบุญแทนอยากจะมีความสุขก็มารักษาสิ้นแปดแล้วนั่งสมาธิกันเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราเราก็จะทําได้อีกต่อไปพอรักษาศิ้นแปได้นั่งสมาธิได้เดี๋ยวใจก็สงบถ้าขยันพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆ วันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรพุโทโธมันไปเรื่อยๆอยากปว่อยให้มันไปคิดึนรูปเสียงเก่งลดให้อยู่กับพุโทโธแล้วใจก็จะว่างจากความอยากในรูปเสียงเก่งลดว่างจากเรื่องราวต่างๆว่างจากความอยากในสิ่งต่างๆจากจากเรื่องราวต่างๆใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วก็จะเห็นคุณประโยชน์ของการมีพุโทโธควบคุมใจควบคุมความคิด ก็จะไม่ปล่อยให้ใจคิดเหมือนเมื่อก่อนเวลาจะไปคิดถึงรูปเสียงกิ่นลดคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงสมบัติข้าวของอะไรต่างก็หยุดคิดแล้วโถ้ามันมีแล้วมันลบกวนใจก็ยกให้คนอื่นไปใช่ไหยจะได้หมดเรื่องหมดราวพอไม่มีแล้วจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงหมันแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะเย็นสบาย แล้วก็จะตับความอยากต่างๆให้หมดไปพรจะเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจวุ่นวายเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนพวกเราท้าวเจ้ารู้พวกเดระชานที่สอนไม่ได้ท่านยังไม่เสียเวลาไปสอนเดระชานนะแต่ท่าน ไ, ไ, ไ, ไม่ยอมเสียเวลามาสอนพวกเรา พอท่านรู้ว่าพวกเรานี่ททำได้บางทีได้ฟังธรรมพระเจ้าแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ไปทำกันตอนต้นก็ไม่คิดว่าจะทำได้แต่พอลองไปทำให้มันก็ไม่ยากนะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อขนมก็เอาเงินไปทำบุญแทนที่จะเอเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญพอทำไปก็ดีนีวะ่ะมีความสุขมากมีความสุขมากกว่าเอาเงินไปกินขนมอาเงินไปเที่ยว เอางนินไปทำบุญกับมีความสุขมากกว่าแล้วเวลาไม่มีเงินก็ไม่ได้คิดอยากจะกินขนมไม่คิดอยากจะเที่ยวเพราะฝืนความอยากเที่ยวได้คืนความอยากกินขนมได้พอทำอย่างนี้ได้ต่อไปก็ไปรักษาศีลแปดได้เข้าวัดได้ไปพุโทโธได้นั่งสมาธิได้ไปใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากได้ อันนี้มันก็จบไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี้ง่ายตรงไปตรงมาขอให้ผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเท่านี้ผลลผลเนต่างาก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พอด เวลาฟังเทศกับครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่มีไฟฟ้าท่านก็จุดเทียนจุดเทียนจุดทูกหน้หนาพระประธานก็พอแล้วเวลาแสดงธรรมไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาคล้อยได้ยินเสียงก็พอเป็นวัดป่าที่ไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่จําเป็นเวลาฟังธรรมก็ฟังกันในที่มืมดมมีเทียนอยู่ดอกสองดอกจุดไว้ท่นี้ บรรยากาศมันมเงียบมันสงบดีฟังล่ามันสบายฟังถ้าไปอยู่ที่มีไฟฟองไฟฟ้าเปิดพัดลมดังลั่นไปหมดเสียงเทศนี้ทางแทบจะไม่ได้ยินฟังแทบจะไม่รู้เรื่องวันนี้อะไรมันเขิไหมครับต้องเป็นงานสด่ยอดถวัติจะให้เจ้หาหน้ เห็นความจริงหรือยังก็แก่เจ็บตายเห็นความจริงหมเห็นแล้วแล้วต่อไปก็เป็นคิวเราไงได้เียคิวเราก็ทอไปก้าไปเรื่อยๆม่เป็นไงไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นเหมือนคนรับใช้เรา่น้ เร า, าใช้ใช้หนั่งกายทําอะไรต่างๆแต่คนใช้คนสั่งมันยังไม่ได้ตายไปกับมันคนสั่งก็ไปหาคนใช้คนใหม่ไปเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องไปถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นนั่นแก็ไม่ต้องไปไม่ต้องมีร่างกายงั้นมาหยุดความอยากเหล่านี้ดีกว่า ได้ร่างกายมากี่ร่างมันก็ต้องตายทุกร่างได้มาแล้วก็ต้องตายกันนะเวตายนี่มีร่างนี้ก็เตรียมตัวให้มันตายนะอย่าไปเสียดายอย่าไปโง่เลยเวลาตายก็เหมือนนอนหลับไปนั่นแหละเวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหลับแบบไม่ตื่นก็หลับแบพบพระเจ้าไม่ไม่ไม่ไม่มาเกิดเลย มีเวลาตีเดียวมีเครื่องเดียวหลับแล้วต้องม่เติดแล้วไม่ต้องมีมา ไ, ม, ไม่ไม่ต้องมามีร่างกายเราตื่นเดี๋ยวมันก็ต้องหลับอีกเนมาเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายยังต้องมาหยุดความอยา ก, กมาปิดตาหูจมูกเลี้ยงกายมาพูโทโธพุโทโธกันทำใจให้สงบ เราใจจะมีความสุขเ้ น, นก็จะเลิกความอยากได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมไมราจะถามยังไงไม่ทราบก็อย่าถามา ไ, ไม่ได้บังคับไม่ถามเปิดโอกาสให้ถา ม, าามาถามว่ามถามว่าา เราเกิดมาทำไม <c ười> คือความอยากเนี่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำตามความอยากใช่ค่ะคือตามที่เข้าใจเนี่ยเราเกิดมาทำไมในความรู้สึกของของของตัวเองก็คือเกิดมาเพื่อมาทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำแล้วสอนไว้ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาอีกอย่างนี้ถือว่าเข้าใจถูกต้องไหมคะ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราจะไปรู้หรเหลย <c oughs> มันมาเกิดก็เพื่อมาทําตามความอยากกันมันจะมาเกิดกันอเออแต่ว่าโชคดีมาเจอพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นการทําผิดการมาทําตามความอยากก็กจะทําให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรด้วยถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็ต้องมาหยุดความอยากกันอันนี้ต้องเจอพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะรู้ได้ถ้าไม่เจอก็ไม่มีใครรู้กัน ก็จะมาทําตามความอยากกันแล้ววิธีการไม่ทําตามความอยากก็คือต้องถ้าวิธีสายตรงเลยก็คือออกเปีกวิเวกอย่างเดียวใช่ไ้ยก็ไม่ต้องวิเวกอะได้ถ้าอยู่อยู่ตรงหน้าขนมน้องไม่กินมันก็ได้ไม่ต้องไปเปรีกวิเวกเลย <c oughs> ม, <c oughs> มอ น, มนหยุดได้หรือเปล่าความอยากมันใหยุดที่หยุดความอยากมันออนออนออฟออฟไงค ะ, ะแต่ถ้าเราไปแบบ ไปอยู่ทำลําพังหรืวเวลาไปปฏิบัติอย่างนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้มากนะถ้าไปได้มันก็ดีึันไปช่วยทําให้เราสร้างกําลังสู้กับมันไงสร้างความสงบสร้างในเบรค้าซึ้นะมาพอเรามีความสงบมีอยู่เบกขามีปัญญาเราก็ต้องไปเจอมันต่อหน้าอยู่ดี<ม>จะได้รู้ว่ายังอยากหรือเปล่า<ม>เราอยากเราหยุดมันได้หรือเปล่าพอเห็นกาแฟนี่อยากหรือเปล่า หยุดกันได้รึเปล่าเห็นกขนมนี่หยุดเันได้รึเปล่ามันอยากรึเปล่าอยากก็หยุดกันได้รึเปล่าถ้าเราไปปีกเว่ยเว่ยไปฝึกสมาธิไปฝึกปัญญาเนี่ยพอออกมานี้เจออะไรก็หยุดได้แต่ถ้าเราไม่ไปเจออะไรทีไรก็ยอมแพ้ทุกทีใช่ไหมเห็นกาแฟก็ยกธงขาวเห็นกขนมก็ยกธงขาวขึ้ใช่ไหม คือแต่ตอนนี้นนมันก็น้อยลงแลคะ<ม>่ะเพียงแต่ว่า<ม>ในความรู้สึกของเราคือถ้าเราเทียบกับเวลาที่เราใช้ชีวิตประจาวันมันเหมือนจะทำยากกว่าแล้วถ้าในชีวิตประจำวันเราตอนนี้เราไม่ได้มีห่วงอะไรแล้วไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรแล้วแลวเราจะมาเราจะมานั่งหาเงินอีกทำไมเพราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับการไม่มาเกิดอีกก็เถอะกง่ายก็ไปบวชสิจะไปได้ก็ไป ไปอยไปตีคุยเวไปอยู่วัดจะบวชแบบโกนหัวก็ได้บวชไม่โกนหัวก็ได้ต้องลองแบบไม่โกนเหมือนกัน <c oughs> ไม่โกนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ทันไปยากนะโกนแล้วมันก็ยาวขึ้นมาใหม่ได้ <c oughs> โกนแล้วกลับมากนแล้วก <c oughs> ับมจะเห็นหลายคนแล้วผ <c oughs> ่าอาจารย์คะแ ล, ล้ววิธีอย่างที่บอกวิธีการที่จะตัดความอยากได้อย่างถาวรก็คือเริ่มจากการมีศีลรักษาศีลศีลห้าศีลแปด มากกว่านั้นก็ได้แล้วก็นั่งสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญานี่มันเป็นวิธีการเดียวเลยใช่ไหมคะไม่มีวิธีการอื่นทางเดียวมักแปะมักที่มีองแปะฉีนจมาธิปัญญาถ้าเรายังไปบวชไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำแบบนี้ให้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นเหตุส่งให้เราอาจจะได้ไปบวชก็เหมือนกับถ้าเรายังจบปอนแ่งไม่ได้เราก็ต้องเรียนปอนแ่งไปก่อน จังกจ็จะสอบผ่านก็ขึ้นปอสอนไปมีปอสอนนอนปอสอนนอนห <c oughs> นังสือไม่ค่อยเข้มข้น<ม>ครับอาจารย์ครับสงสัยเรื่องกายกับจิตน<อ>ะครับกายไม่ใช่ของเราเนี่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องอทิ้งเข้าไป<อ>แต่จิตเนี่ยกี่พบ ก, กี่ชาติเนี่ยเขาก็ตามติดตัวเราไปแต่ก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยผมก็ยังคลางแคลนมันตกลมแล้วมันยังไงกันแน่สงสัยว่าที่ว่าจิตไม่ใช่ของเราแต่เขาก็ตามเราไปนะครับ เราเป็จิตเป็นตัวเดียวกันเข้าใจไหมจิตเป็นตัวสร้างเราขึ้นมาสร้างด้วยความคิดคิดว่ามีตัวเราขึ้นมาคิดว่ามีตัวเราเวลาจิตสงบมันไม่คิดเป็นตัวเรามันก็หายไปเข้าใจไหมตัวเรานี่เกิดจากความคิดเกิดจากความจําแต่ตัวจิตจริงๆมันเป็นตัวรู้ตัวคิด แต่มันไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของเราใช่มครับเมื่อไม่มีเรานจะเป็นของเราได้ไงครับเวลามันหยุดคิดว่ามันหยุดคิดตัวเราก็หายไปจิตมันก็เป็นของมันจิตมันก็เป็นเหมือนกับดินน้ํำลมไฟมันเป็นของใครหรือเปล่าจิตก็เป็นธาตุนุ่มดินก็เป็นธาตุดินน้ําก็เป็นธาตุน้ํามันก็เป็นไม่เป็นของใครทั้งนั้นะพาจย์ค่ะ ที่ที่น้องเขาถามนี่หมายถึงกายอยากของเราเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วจิตเนี่ยจิตเราเนี่ยมันยังจะไปเรื่อยๆไปทุกพทุกชาติเลยเพราะมัมีความอยากมันถึงไปถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ไปเนี่นที่มาปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันไปให้มันอยู่เฉยๆพออยู่ที่เฉยแล้ว ม, มันมีความสุขถ้าไปแล้วมันทุกขนะ์พอใจไหมเหมือนเหมือนกับว่าเรา เราไปหยาบหรือเราไปยึดติดว่าเป็นของเราแต่จริงๆแล้วทวางได้ก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราเชาติบเบรรมานัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของร<ม>่างกายนี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจิตนี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าขอ ง, งนอาจารย์คะนั่นตอนที่เราใกล้ๆจะตายเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวจิตใจ ยังไงเดี๋ยวหลังจากตายแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงก็ต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่ตายไปเตรียมตอนนี่จะตายทาไม่ได้ก็คือก่อนตายเนี่ยก็คือหมายว่าณคือเตรียมก่อนตายแต่ว่านักขณะกาลังจะตายเนี่ยต้องเตรียมใจยังไงแต่เป็นว่าไม่ให้มันหลุดแข็งก็อย่าให้มันมีความอยากปฏิบัตินี้ก็ว่าไม่มีความอยากไปรำจะตายก็อย่าไปอยากไม่ตายส่วนหลังจากตายไปแล้วเนี่ยกายอยากออกจากกายอยากแล้วเราก็คงไม่รู้ก็ต้องปล่อยไปตาม ก็มันก็ไปตามที่เราฝึกมันไว้ถ้าเฝึกมันให้ไม่ไปมันก็ไม่ไปคือไม่มีไกด์ลาที่มีแนวทางนี้ก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปไหนการฝึกจะง่ามันหยุดมันไม่ไปไหนแล้วก็ต้องฝึกก่อนนานพอสมควรก่อนจะตายไม่กวรจะไปใกล้ตายเจ็ปีเปีเจ็เดือนเจ็วันเรียนหมอเวลาเดินหมอนี่ไปดูหนังสือตอนใกล้ใกล้สอบใกล้สอบหรือเปล่าก็ทำทั้งสองอย่าบ่อย ไม่ต้องไปเรียนเลยเพราะถ้ามันใกล้สอบก็ไปเปิดหนังสือดูนี่มันก็มันก็มีหลายเทคนิคถ้าเวลาเต้นยาวๆก็แบบนี้ใกล้ๆโดนๆก็แบบนึงค่ะแต่เอาว่าเป็นวิธีนี้ไม่ถไม่ถูกเนี่ยมันไม่ได้ความรู้มันได้ได้คะแนนแต่ไม่ไม่ได้ความรู้ษแต่ว่าถ้าใช้รักษะนั้วมันต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบมันจะได้สอบผ่าถ้าไม่เตรียมตัวมันก็ ถ้าไมถ้าสอบผ่านก็สอบโกงไปดูข้อสอบไปดูข้อสอบเข้ามาแต่บางคนแต่บางคนเขาก็มีทักษะที่เขาฝึกสกิลตั้งแต่เด็กไงเขาก็มีวิธีทางลัดของเขาแต่ก็ทําได้เท่ากันทางนี้ไม่มีละของพระไม่มีทางเดนไม่มีทางลัดเนี่ก็ดีไม่ต้องมาบวชเสียเวลาอันนี้ขอไปเที่ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยววันไหนหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วก็ไปแค่แล้วค่ายนิทานทีเดียวแล้วอาจารย์ครับเรื่อง พอแยกเรื่องกรรมนะแบบเช่นพระโมคคัลลานย อ, นอนดีตชาติเนี่ยท่านเคยฆ่าพ่อแม่แลท่านก็ต้องมารับกรรมตอนที่จะํามรดว น, นะฮะแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าอยากจะกระหายน้ำดื่มน้ําเนี่ยให้ที่ว่าให้พระนนไปตักแต่พระนรินก็บอกว่าน้ําขุณแล้วน่ยทุ่ท่านไม่ให้บัวดื่มน้ําทีนี้สงสัยว่าแบบุงคุริมานนะครานฆ่าคนตั้งเกือบพันคนนะนแล้วก็ ก็สำเร็จอลรหัสเลยเนี่ยเหมือนกับว่าท่านไม่ต้องมารับกรรมในกรารฆชาตินี่ยการที่เกิดในชาตินี้มักผลมันมักจะเกิดจากกรรมที่เราทํามาชาติก่อนแต่กรรมที่ทําชาตินี้มันยังไม่มันยังเหมือนกับปลูกต้นไม้มันนี่มันยังไม่ออกผลนะม่ใช่หอ๋อมันตามไม่ทันอ่ามันยังไม่เกิดยังไม่มีเวลาที่จะเกาะตัวขึ้นมาเพราะเพราะะกรรมที่ตามนส่วนใหญ่จะเป็นกรรมอดีตชาติอาครับนึกบุญก็เช่นเดียวกัน บุญที่เกิดกับเรผลที่ดีเกิดกับเราก็เป็นผลที่เกิดจากเราทำบุญมาในอดีตชาติครับบุญที่เราทำในชาตินี้มันยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลต้องรอกลับมาใหม่ไม่ได้แต่บุญบางอย่างบ่บางอย่างมันก็เกิดผลได้เหมือนกันแต่มันก็มันก็กระทบเช่นโอกก็มีมาก็ยังโดนชาวบ้านก้อนหินเคีื่องใส่แต่เหมือนก็ปว่าเหมือนกันรับน้อยนะแค่โดนหัวแตก เลือดออกกันนั้นเองแต่เหมือนก็ว่าไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่เพราะฆ่าคนตั้งก้ารกาสิบเก้าคนเนี่ยอ๋อแต่แต่แต่ถ้าไม่ได้เป็นผ้านะเนี๋ยต้องกลับมาเกิดให้เขาค่าเก้าร้อยเก้าสิบเ้าครั้งนี่ไม่ได้ยิ่งไม่มากลับกลับมาเกิดมันก็ไม่มีร่างกายที่ให้คนทุกขคฆ่าอย่างพระเทวทัตเองได้มาพยายามโปร่งเผชิญกับพระเจ้าสามครั้งก็เลยต้องไป จบแล้บเวลาตายแต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มาเป็นพระปเจตกับพทะเจ้าเพราะว่าได้บุดมาต้องยี่สิบกว่าปีแล้วแต่หลงไปทางอิทธิฤทธิ์ไม่ได้ไปทางปัญญาเพอกลับมาเกิดใหม่คราวหน้ารู้แล้วทางนี้ไปผิดแล้วอิทธิฤทธิ์ไม่ไปแล้วจะไปทางปัญญาแล้วเด mm. ี๋ยวพระเจ้าก็ทํางานว่ากลับมาคราวหน้ามาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระปเจตกับพระเจ้า เน่นผลส่วนใหญ่มที่เราทําในวันนี้มันจะเกิดวันพบหน้าชาติหนนอกจากผลที่เกิดในจิตใจเรานี่เกิดได้ปัจจุบันทนันด่วนน่งสมาธิจิตสงบก็ได้ผล ท, ทันทีอันนี้เป็นผลปัจจุบันทันด่วนผลทางจิตใจนี้ได้ ท, ทันทีแต่ผลทางร่างกายนี้ต้องรอเปลี่ยนร่างกายไน ผ, ผลที่ร่างกายนี้รับอยู่ก็เป็นผลจากบุญบาป ท, ที่เราทําในอดีตมา ส่วนบุญบาตรที่เราทําในวันนี้ถ้าเรายังไม่เป็นบรรลุเรายังต้องกลับมาเกิดเดี๋ยวเรากลับมาเกิดเราก็จะมารับผลบุญผลบาตที่เราทํากันในวันนี้ชาตินี้ต่อไปส่วนใหญ่เนะี่ยทางร่างกายในะทางจิตใจเรารับวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยทําบาปปั๊บก็ใจกันทุกร้อยขึ้นมาแล้วทําบุญปั๊บใจก็เย็นสบายมีความสุขว่ามันมีบุญสองส่วนผลสองส่วนส่วนทางส่วนทางใจกับส่วนทาง ทางร่างกายสงครางร่างกายนี้บางทีไปทําผิดกฎหมายเขยังไม่จับเราไม่ได้ก็รอดไปไม่ต้องไปติดทุกข์ติดตร า, าแต่ถ้าน้านต้องกลับมาใช้กรรมในค่าเขาเหนือชาติหน้ากลับมาก็าต้องถูกเขาฆ่ายังบางคนเข้าใจผิดที่ว่าเอ้ยกูทํำบาปแต่กูกลับสบายโกงเงินโกงบ้านโกงเมืองกูกลับร่ากลับรวย เราคิดว่าไม่มีผลนะฮะทําบาป ก, กัได้ดีทดําดีไอ้พวกทําลี้ยวทําแทบเป็นแทบตายกับไม่ได้เลยกัรมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ปัญหาก็เพราะชาติก่อนทําเรื่องมามาัมาใช้ชาตินี้ส่วนบุญที่ทําชาตินี้มันยังไม่มีเวลาออกออกดอกออกผลมันก็ต้องรอชาติหน้ามันถึงจะมาออกดอกออกผลก็เลยทําให้คนน่สับสนุ่ยทำให้ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปกัปนอย่างที่เขาบอกว่ า, ว า, วาทำ ทำชั่วอะไรทำชั่วได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีไม่ได้ดีก็แล้วอยากจะทำเลยเชื่อได้ดีแสดงว่ากรรมจิจจรรย์นี้ก็เป็นของเก่าของกาจารดบางอย่างมันก็ทันตำรวจตามจับได้ตอนนี้ก็มียุคเช็คบินกันอยู่จิตใจอ่อนแอไปดิดดนจัแต่ยุคนี้โดนจับกันเยอะแยะนะ มีก้องวงจรปิดครับอาจารย์ก็เอ่อที่พวกเราเนี่ยต่างคนต่างมาจากคนละที่หลายจังหวัดด้วยเนี่ยเราจะอยู่ก็ก็มารวมกันที่นี่แล้วก็มาฟังธรรมจากพระาาอาจารย์อดีตชาตชิชอบของเดียวกันเขาอย่างเดียวกันมไม่ก็อดีตชาติเราอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาอย่างนั้นก็ได้ด้วอาจจะทําคนละวัดทำครอบําคนเมืองก็ได้แต่มันเรื่องเดียวกันชอบทาบุญเหมือนกัน พอถึงเวลาก็มาทําบุญกันก็มาเจอกันแต่ไม่ได้หมายคำว่าชาติก่อนเคยทําบุญร่วมกันะชาติก่อนเคยทําบุญแต่ไม่ได้หมายคำว่าจะต้องทําบุญร่วมกันเป็นแต่ว่าเคยทําบุญเคยชอบทําบุญพอชาตินี้มามีโอกาสมาก็มาทําบุญคนที่มาว่านี่เป็นพวกที่ชอบทําบุญเท่านั้นคนที่ชอบเล่นไพ่มันไม่มาหรอกก็เคยฟังแบบเช่นอุบัติเหตุนะรถยนตเนี่ยบางทีตายหมูเป็นทั้งขันรถเนี่ยมี บางกระแสะข่าวก็บอกว่าเขาอาจจะเคยทำกรรมร่วมกันมากันเลยมาไม่เราไม่ได้ไไดร่วมกัน เนื่องจาว่าโอกาสมันมานั่งรถคันเดียวนะเพราะฉั้นต้องประสูจน์นะว่าต้องเป็นแบงนี้หลายๆครันสถิติต้องซ้ํำหลายๆรอบเรั้นวมันเป็นจิตใจอย่าไปอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาเปล่มันมีตัวแปรมีอะไรเยอะแยะไปหมดละเหตุแรงปัจจัยเราจะมาจับช้ชักท่าชนแก่เลยเสียเวลาเรา่าๆใครรู้รวมๆว่าทําดีได้ดีทำเชั่วได้ชั่อคันนี้ก็พออันนี้แน่นอนนะ แต่จะเกิดขึ้นมาแบบไหนอย่างไรนี้รายละเอียดอย่าไปสนใจมันเลยถ้าเราไม่มียามอย่างทราบเหมือนพระเจ้าเนี้ยือพระโมคคะลาในีั้นอย่างทราบนะว่าชาติก่อนเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาตอนนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะมาตามฆ่าเราเนี่ยถ้าเราไม่มียามอย่างทราบก็ อ, อย่าไปคิดให้เสียเวลาอาจินตาย เอาแค่ปัจจุบันนี้พยายามอย่าไปทำบาปก็พอ <Okay. S 1> พยายามทำบุญไปก็แล้วแต่แล้วบุญที่สูงสวดก็บุญที่เกิดจากการมาภาวนาเนี่ยมาปฏิบัติมัจะทำให้เราได้ยุติการที่จะต้องมารับผลบุญผงบาปถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วก็หมดไปเหมือนกับ อ, อ, อะไรแะ้วกเราได้ในรางวัลที่หนึ่งแต่เราไม่ไปขึ้นรางวัลมันก็มันก็หมดไป แต่เราเราเราเราวยกว่านั้นเราเรามีเงินรางวัลดีกว่านั้นเราก็ไม่ต้องไปขึ้นรางวัลใช่ไหมหรือไปทำเป็นหนี้ครับเป็นเป็นหนี้ใครว่าเดี๋ยวเราก็ตายไปเขาก็มาจาับมันเขาก็มาเอาเอ า, เอาเงินทองจากเราไปไม่ได้ังอย่าไปกังวลกับเรื่องอะไรมากเท่ากับเรื่องจิตใจของเราดีกว่า จ, จาิตใจตอนนี้เราทุกข์รู้สุขทุกาก็ให้รู้มันเกิดจากอะไร เราหยุดนันได้ด้วยอะไรเท่านี้ก็พอรนะอดับความทุกข์ได้ปัญหาต่างๆก็จะหมดไป น, นึกออกแล้วที่ว่าต้นจิต ป, ปลายจิตนะแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นปลายจิตเนี้ยมันมันไปคว้าเอาเอารมณ์เข้ามาแล้วมันไปกรุงเข้ามาแล้วเพราะนั้น ม, มันก็ผิดไปแล้วมันเป็นไปตามตามกิเลสแต่ถ้าต้นจิตนี่หมายถึงทีจิตจิตทีจิตตังอะไรเนียถ้าถ้าเราจะคอยคอยคอยเฝ้าระวังรักษาไม่ให้มันไหลไปตามกระแสเกิดเป็นจกักขุญญวิญญาณโสตวิญญาณและพวกนั้นมาแต่ว่าเรารักษารักษาจิตให้อยู่ตรงต้นต้นน้อย ทางเดียวที่จะทำได้คือต้องเป็นเอเบกขาเราต้องต้องเข้าไปมีอารมณ์เดียวอยังไงก็ต้องพูดทงก็ต้องใช้พูดทงเดนเข้าไปตอนนี้เราอยู่ปายจิตกันรู้ปะตอนนี้จิตเราอยู่กับโลกเสียงเกล็ดนอดเราก็ใช้พูดทงเดินเข้าไปอยู่ที่ต้นจิตแต่พอดึงได้ถึงจิตสงบที่หลวงพ่อว่าแล้วตรงนั้นคือที่เรียกว่าถีติจิตหรือเปลาคนั่นเลยตรงนั้นใช่ไหมค่ะที่ศัก์แต่ว่ารู้เนี่ยให้รู้เฉยๆพระเจ้าบอกให้อยู่ที่ถีติจิ ได้ยินได้ฟังอะไรแค่ให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปตอบโต้<ม>ใครก็ด่าก็รู้ว่าเขาด่าจบ<ม>ใครก็ชมก็รู้ว่าาชมแล้วก็จบแล้วตรงนั้นจะเป็นมาร์กไหมคะตรงนั้นถือว่าเป็นอสังม า, า, ถาถึงตรงนั้นก็เป็นผลแล้วถึงตรงนั้นเป็นผ ล, ลอะเป็นผลมาร์กก็คือพุทโธ่เด้งมันเข้าไปเด<ม>้งจากปลายจิตให้เข้าไปที่ต้องจิตพอถึงต้อนจิตก็เป็นมาร์ก<ม>เป็นผล นี่จะรักษาให้มันเป็นอยู่ต้องแน่น น, น, นอกจากสติตัวเดียวมันไม่พอต้องใช้ปัญญาเพราะสติมันยังไม่ยดมันยังไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ทำลายความอยากเพียงแต่หยุ ด, ยดมันเฉยๆต้องใช้ปัญญามาแก้ความอยากที่เกิดจากความหลงที่ว่าทําตามความอยากแล้วจะมีความสุขกันใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์กันไม่ใช่เป็นความสุขกัน แล้วพอเห็นว่าการทําตามความอยากเป็นคามทุกต่อไปมันก็จะไม่ทําตามความอยากอต่อไปความอยากก็จะหมดไปแล้วหลังจากนั้นจิตก็จะเป็นทีฏฐิจิตไปตล анд. อดจะรู้สักแต่ว่ารู้ไปเพียงอย่างเดียแวแจะไม่มีความอยากเห็นอะไรก็รู้ได้ยินอะไรก็รู้ไม่มีความอยากให้เสียงนั้นหายไปหรืออยากให้เสียงนั้นอยู่ไปนานๆเช่ น, นตอนนี้เราได้ยินเสียงไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเร็ ว, รวได้ยินเสียงที่ดีก็อยากจะให้ม <instantly S 1> ันอยู่ไปนานๆ แต่ถ้าเป็นจิตที่ไม่มีความอยากมันก็จะเฉยๆยอุเบกขาตลอดเลยว่าถ้ามันเป็นอุเบกขาแต่ว่ามันยังมีมันยังมีอารมณ์สุขเจืออยู่ด้วยแล้วเราออกออกตรงนั้นมาแล้วเราเรามาช่วยมันเราช่วยเขาพิจารณาในอริยสัจสี่อะไรแบบนี้นะคะมันอันก็ยังไม่เข้ามือมาถึงว่ามันยังไม่ได้รวมเต็มที่นะคะตรงนั้นเราเราสามารถที่จะ ทบทวันอริ ย, ยสัจสี่อะไรอย่างนั้นได้หรือเปลหรือว่าไม่ควรหรือควรที่จะพูดโทรพูดโธต่อไปให้เข้าไปให้เต็มที่หรือยังไงก็เป้าหมายก็คือให้เรามีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากได้ปัญหาก็จบ มันก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นชัดว่ามันเป็นทุกข์แทนทุกข์มันก็ไม่อยากถ้าเครื่องดื่มที่เขาจะมาให้เราดื่มถ้าเรารู้ว่ามันเป็นยาพิษเราจะดื่มไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเอยเป็นกาแฟก็ดื่มซดเข้าไป่ทุกอย่างที่เราไปแตะต้องนี่มันเป็นยาพิษทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็น ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นยาพิษลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นยาพิษอยากไปอยากมันอยากไปแตะต้องมันตอนนี้เรายังไม่เห็นเป็นยาพิษเรายังเห็นว่าเป็นขนมอยู่ร่างกายมันทึ้งพองออกมาเนี่ยพองเพราะพองเพราะความหลงนี้คิดว่ามันเป็นคันนี่มันเป็นขนมที่ไหนมันเป็นยาพิษ ใจกระทุกเวลาไม่ได้กินน้เป็นไงเวลาเห็นขนมเวลาอยากกินขนมน้ำกินไม่ได้หมอบอกอยากกินห้ามกินน้ําตาลสูงแล้วก็มีวิธีเนี่ยงก็กินยาลดน้ําตาลนัวจะได้กินมันอิด <c oughs> อาจารย์วิธีที่จะทําให้อุเบกขาบารมีเราเนี่ยมันขึ้นเร็วๆนัง่งแต่แค่สติน่ะ ไม่มีไม่นนะก็จิตเรเนี่ยใช่้สังเกตกับพี่ชายเนี่ยเจอเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยโอเคค่ะเรามี้นเขาเยอะกว่าเราทุครั้นเลยเจอเหตุการณ์เดียวกันแล้วมองภาพเดียวกันคนเดียวกันพูดเนี่ยวิธีคิดเขาอ่ะเขาเขาาจะแบบอีกแบบเลยอ่ะแล้วเขาก็จะไม่กดไม่อะไรเขาใจเย็นพูดต่อไปเรื่อยๆก็ใช้ปัญญาก็ได้ถ้าไม่มีสติตก็ใช้ปัญญา แว่า็อาจจะกดด้ก <c oughs> ารแสดงขัง้นไออกี่เป็นายเนคือห้าไม่ได้สิ่งที่เราเห็นนถะสิ่งที่เรารับรู้นี่ <c oughs> ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ฟ้าวลงนีไปสั่งให้มันหยุดโ้องได้ <c oughs> ถ้าเรามองแบบนี้ก็ได้มองด้วยปัญญาก็จะเป็นอุบเบกขาได้ <c oughs> บองว่ามันเป็นตายรัก <c oughs> แต่มีสองทางไม่สติก็ปัญญาถ้ามีปัญญามันก็มันก็ถาวรถ้าสติก็เชื่วข่าวเปลี่ยนกดันไว พอเวลาเสร็ปั๊บมันก็จะไม่ได้ใช้สติมันก็จะหายหมดเองพื้นฐานนะถ้าเกิดถ้าพื้นฐานของสองคนไม่เหมือนกันสิ่งคนนึ่งเป็นคนขี้โมโหก็คุมมันเราไม่ค่อยได้อีกคนนึงเป็นคนอ่าก็คือคือปัญญากับสติก็ต้องใช้ทั้งคู่ก็แปลว่าอะไรใช่ไหมก็เป็นการุึผลนใชะไหมมันเป็นของที่เราทำมาพัฒนามาจิตใจเราเนี่จะสูงจะต่ำอยู่ที่สติปัญญาของตัวนี้เป็ลักต้อเป็นงานแบบเป็นสองเท แจ้งคอยเพิ่มค่ะเวลานั่งสมาธิค่ะเคยลองสองแบบแล้วแบบแรกก็คือตั้งเวลาไว้กับแบบไม่ตั้งเวลานั่งไปเรื่อยๆค่ะพอเวลาตั้งเวลามันก็เจอเจอเปัญหาว่าพอเรากําลังได้ที่กําลังแบบเออจิตค่อยๆค่อยๆคือเริ่มรู้สึกว่าสมออ้าเวลานาฬิกาดังแล้ว แต่พอเราไม่ตั้งเวลาค่ะเราปล่อยแบบเออตอนนี้เราจะไม่ตั้งและเราจะนั่งเรื่อยๆเพื่อที่ว่านั่งให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้พราะั้นกลายเป็ว่ า, า, วาจิตเราก็จะแบบโอ้ยเถอมันเท่าไหร่แล้วเฮ้ยมันนานแล้วนะขเเปนยาี้ก็กลับมารวมใหม่ยยพยายามคิดใหมเออไม่เป็นไรเราก็นั่งไปเรื่อยๆสิก็นั่งไปนัะใบตอนนี้มันจะจะใช้วิธียังไงถึงจะบัอเพื่อเราไม่ได้นั่งเอาเวลาเข้าใจไหมเรานั่งเอาความสงบอ เราไม่ตั้งอาไม่ต้องไม่ต้องตั้งนอกจากเรามีภาระหน้าที่ต้องไปทำเวลานั้นก็ต้องตั้งเผื่อเวลาเดี๋ยวมันไปทํางานไม่ทันแต่ถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปเวลาไหนเราก็นั่งไปให้มีเป้าหมายอยู่ที่สติตัวเดียวแล้วมันอยู่กับสติอย่าให้มันลอยไปลอยมาแล้วมันจะนานไม่นานมันอยู่ที่ตัวนี้หลมันมีสติมันก็นาน ถ้ามันมีชตัตเตเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนท่านั่งเขาบอกท่าเจ้ามีเวลานั่งมันมีนาฬิกานั่งดูแบบนั้นทาไว้ก่อนก็มันยังมือใหม่ค่ะอาจารย์แลราก็ไม่แล้วก็ควรจะเปลี่ยนท่านั่งให้น้อยที่สุดให้เจ็บ ก, ก็ต้องดูมันไปก่อนนั่งก็อย่าไปขยับถ้าขยับมันก็เหมือนกัต้ริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะ มือไม้อะไรทั้งสิ้นห้ามขยับเลยเพราะจิตที่สุดเพต้องการปล่อยวางร่างกายใจจะได้เข้าไปข้างในได้ในช่วงแรกเราควรจะจัดท่านั่งให้เราสบายก่อนก็ถ้านั่งขัดสมะไหมต้องบอกขวาทับซ้ายแต่นั่งนั่งขวาทับซ้ายไม่ได้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็นา่งคัศมะแต่ว่าไม่ได้แบบขัดสมะสองชั้นเนาะค่ะเป็นแบบคัดสมะหลุมๆลงก่ก็นั่งยังไงก็นั่งไป พอนั่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันละให้มาอยู่ที่สติตัวเดียวไม่ใช่เายดีพอมานั่งแล้วเดี๋ยวก็มาคิดว่าเอ้ยเาน่าจะขยับเปลี่ยนท่านะท่านี้ไม่ดีนะะถ้าทํานี้มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิแลมันมานั่งขยับร่างกายถ้านั่งสมาธิพอนั่งแล้วก็ทิ้งร่างกายไปไม่สนใจเรื่องร่างกายอยู่ที่สติตัวเดียวว่าตอนนี้กําลังคิดหรือไม่คิด ถ้าคิดก็ทาแสดงว่าเผลอละไม่มีพุทโธละไม่มีสติแล้วให้ดูแค่ตรงนี้หละดูตัวนี้หรือที่กําลังคิดดูไม่คิดอยู่กับพุทโธหรือเปล่าถ้าอยู่กับพุทโธมันก็จะคิดไม่ได้หรือถ้าใหม่ๆมันยังจะแทรก ค, คิดมาก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวมันยังมีความคิดแทรกเข้ามาก็ช่างมันถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเด่๋ยวความคิดความคิดต่างๆที่แทรกเข้ามามันก็จะหายไป แต่ตอนต้นมันยังแยกไปได้พุโทโธปั้มเราไปคิดอย่างนี้ปั้มกลับมาพุโทโธใหม่ได้แต่ต่อไปถ้าสติเราแข็งขึ้นแข็งขึ้นมันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันก็จะไม่ไปะจะท้าให้ทางบ้านเขาถามคําถามนะใครอยากจะฟังต่อก็อยู่ฟังถ้าใครอยากจะกลับก็กลับได้นะตามสบายไม่ได้มไม่บังคับกันเดี๋ยวอาจารย์ เคยอยากจะไปทางทุเลาะปักฟังมาที่นี่นแต่เรายังจะต่อถึงประมาณสี่โมงเพราเป็น<ง>เป็นช่วงเวลาสอนสั่งสอนทุกวันบ่าย<ง>สองเป็นบายสีสถ้ายังอยู่นี่ก็ต้องสอนอาจะเป็นทำอะไรถ้าไม่สอนก็ต้องหนีท่าน น, นี่มันขี้เกี ย, <S 2> <S 2> <attitude. S 1> เยจไปหลืออะไรจำเป็น ระหว่างนี้กับสอนสอนดีกว่ามันมันง่ายกว่าเรี่องคุณสัมมาจะวัดขั้นตอนหารใช้ลมต่อที่เราควบสติสงบเป็นได้พอกัรหดพุทให้มันนิ่งก็ได้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขั้นตอนนะพอนั่งพุ่เรามีสติให้หยุดคิดปั๊บมันนิ่งแนละ้วไปใช้ได้ เวลาเราไหวแต่ทำงานแค่รัดตันมันน่าัะไม่ๆาจจะต้องสวดมนต์ก่อนพุทธองอะไรไปแต่ถ้ามันมีสติแล้วมันทิ้งหลับของพวกนี้ไปได้หมดแล้วเรานั่งซุบเพใช้สติตัวเดียวหยุดคิดมันก็หยุดมันก็อาจารย์้าท่านนั่งสมาธิแค่ระดับเดินคือสเตชันเดินเนียหน้าที่เรื่องศสนาจายกับเรนั่งได้ระดับนี้แล้วอย่านี้ท่านแล้วาเราพิจารไม่ใช่เร่พิจารณราอยากสดการไปนั่ที่ร้อน หรือเปลี่ยนสถานที่ในรูปแบบต่างๆนีเป็นการกระทำที่ไม่ถูกว่าไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรพยอยางสุดว่าเราเราเรานิ่งหรือเปล่าือถ้าไมแต่มันก็คือได้ผลเท่ากันใช่ไหมครก็นิ่งไหนิ่งก็น่าให้มันเจ็บอยูที่จะรู้ไม่ต้องไปเปลียนที่เลยค่ะคือหนูเคยนั่งเคยนั่งอยู่ครั้งหนึ่งคือแต่ละวนไม่ได้นั่งสิ่ง แต่สามวันนัแย่มากแต่วันที่สีห้าเนี่ยนั่งจนชาก็ลอตอนครับพลิกไปที่ตาหลังรอสุดพิกแต่ชาเราคิดว่าขาเดวอดาดแต่หน้าไปจับฟอกสองชั่วโมงเนี่ยมันก็หายอึ่ไม่ได้ขยับเลยฤๅสีก็นั่งคืเจวันก็ยังไม่เป็นรแอบี้โกง้ก็เราไปล่ร้านแต่ละเาะหยัเียบกับพิกไปแล้ว <them now. S 2> ตารางกเดเป็นสถานที่หาที่สงบแล้วนั่งไป ถล้วพอมันเจ็บก็ปล่อยเมืเ่เจ็บไปแต่ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิแอบไปลองฝึกแบบที่ไป น, นั่งในที่ที่มันดองมีเสียงนะทำมลโครนด้านเนี่ยเหมอือนแต่เราเรียนหนังสือเนี่ยคือเราเราไม่สามารถเรียนสะานจามรยางได้มันไม่ก็มันเป็นวิธีที่ไม่สําควรนะว่าครับจะทําทได้ก็ดีเก่งที่ยังไงเก่งแล้วถได้แต่ <c oughs> ว่ามีก็ทําำมันได้ด้วยป่า ก, าก็จะทํำได้แค่ชั่วชีวิตประจําวันเราก็เจอเสียงกระสุนคืนปืนแล้วเราลองนั่งสมาธิดู ยังไม่เขาเลยยังค่ะต้องไปเยี่ยมยาิีคนสองคนนะช่วงนี้ายตเยอะเลยต้องไรเยี่ยมตอยายต้องเดินสายเยี่ยมกันอเยี่ยมเวลากจ็บตายนะพจค่รอเวลา้าคุณ่ต้องถวายหรือเ่ไม่ต้องเดี๋ยวเวลาพาชทานมีลูกศิษปเพณให้ ว้าถวายมันนี้มันต้องฉันภายในเจ็ดวันถ้ายังไม่ได้ถวายก็เก็บไว้เมือ่องานถาหลายก็เก็บไว้ได้อเอาวางใช่ไมเน่ยตอนนี้ก็คิวของทางบ้านนะ้นะนะามันเลยคอถามจากคุณปอยเซียนกรณีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัวเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเก่าหรือเปล่าคะ ก็มีทั้งกรรมใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่ก็คือเนี่ยมากินขสารก่อนมะเรงเข้ามันก็เป็นบะเร็งได้ดังนั้นมนเรื่องของกรรมนี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันอาจจีนตยอย่าไปคิดให้มันเหนื่อยเลยยอมรับกรรมไปอย่างเดียวก็แล้วกันจบอย่าไปทํากรรมถ้าไม่อยากจะรับผลไม่ดีก็อย่าไปทําบาปถ้าอยากจะรับผลดีก็ทําบุญไป แล้วภาพโดยรวมมันจะออกมาอย่างนั้นแต่บางทีทั้งบุญทั้งบาปมันมันผสมกันก็ได้มีทั้งบุญมีทั้งบาปมาเกี่ยวข้องกันมันก็เลยทําให้มีผลแตกต่างกันไปแต่และคนไม่เหมือนกันคําถามจากคุณธกร<ม>จะทํายังไงที่จะไม่เสียใจร้องไห้กับการสูญเสียคนที่รักจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาครับก็ต้องฝึกสมาธิทําใจให้เป็นอุเบกขา แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาเนี่ยเขาจะยสอนให้ทำสองอย่างนี้ให้ฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อทําใจให้เป็นอุเบกขา<ห>แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ า, กกาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากการเป็นธรรมดาถ้ามีสองอย่างนี้แล้วก็จะเฉยกับการพัดภาคจากกันได้ คำถามจากคุณโมนีพระที่ยืนรอบินทบาทตามร้านขายอาหารโดยไม่ได้เดินไปไหนเลยถือว่าผิดวินัยไหมคะมันไม่ผิดวินัยมันอาจจะผิดธรรมเนียมแต่มันมันอาจจะเป็นความจำเป็นหรือเปล่าว่าถ้าเดินไปมันไม่มีใครใส่บาทมันมีใส่แค <c oughs> ่ตรงนั้น <c oughs> มันก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นเพราะสมัยนี้บางทีคนกรุงเทพเขาไม่ใส่บาทกันก็จะไปใส่ที่ร้านอาหารกัน เราก็ยังบินสบายแาวกรุงเทพเหมือนกันถ้าไปเดินตามบ้านตามศอกทอกซอยไม่มีใครเปิดบ้านมาใส่ ừ ừ. เดินไปมนันก็ไม่มีข้าวแต่ถ้าไปที่ตรงตลาดที่เขาขายกันน่ยก็มีพระยืนเข้าคิวร อ, อกันกนะก็มีญาติโยมซื้ออาหารใส่กันนะ <ừ. S 1> มันก็ต้องมันก็ต้องรอตรงนั้นเงแต่ว่าอย่าทําเป็นแบบ เ, เป็นพานิชก็แล้วกันเหมือนพระกับคนขายนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็น <S <S เป็นเป็นหุ้นส่วนกันเป็นพระ จะได้มีคนซื้อของแม่ค้าพอพอได้ของแม่ค้ามาใส่บาทพักก็ออกมาเกินให้แม่ค้าแล้พักก็เอาเงินไปถ้าทางนี้มันไม่ถูกการบินธบานี่เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพอย่งนั้นถ้าอาหารมันอยู่ตรงนั้นมีที่เดียวก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นเราให้ญาติโยมมาซื้อแล้วก็มาใส่บาทพอเราได้อาหารพอกินแล้วเราก็ไปก็แล้วกันอย่าทำเป็นอาชีพค้าขายไปพอได้อาหารมามากเกินไปก็ขายให้แม่ค้าเอาเงินมา แล้วก็รอให้คนมาใส่ใหม่ี้ถ้าอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ถ้าทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ไม่มันไม่เป็นไรถ้ามันมันบังคับให้ทําอย่างนั้นเนี่ยตอนกรุงเทพนี่คนก็ไม่ใส่บาตกันตามบ้านอะไรเนี่ยเขาไปที่ตลาดกันพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาทำขบข้าวกินกันเลยส่วนใหญ่ก็ไปซื้ออาหารําเน็จรูปที่เขาขายที่แม่ค้าเขาขายกันก็เขาก็จะไปใส่บาตรตรงนั้นกันพระเขาก็จะไปวนเวียนอยู่แถวนั้น ถ้าจะทําให้มันสวยงามหน่อยก็คือพอก็ใส่บาทรข้านี้ก็เดินไปอีกรอบมันก็กลับมาใหม่อย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นอย่าไปยืนแช่เันแล้วกันพอก็ให้แล้วก็เดินไปกลับถ้ายังไม่พอฉันก็เวินกลับมาอีกรอบอยา่างนี้ก็เดินไปอย่างนี้ก็ได้จะได้รู้จะได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยจะได้อยู่ในสภาพว่าเราได้ได้เดินบินทบาดไม่ได้ยืนบินทบาทคําถามจากคุณเหมา คนที่มีครอบครัวสามีภรรยาจะสามารถบรรลุทาได้ไหมคะอย่างพุทธศาสนามิกายมหาญาณที่พราเป็นปุถุชนทั่วไปโดยปกติแล้วมันมันมันมันรู้ได้แต่มันยากเพราะการมีอะไรนี่แสดงว่ามันยึดมันติดอยู่ไงเมื่อมันยึดมันติดมันก็บรรลุไม่ได้เพราะการจะบรรลุได้มันต้องไม่ยึดไม่ติดงั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะ บรรลุกันไม่ได้มันจะมาบรรลุได้ก็ตอนที่รู้ว่าจะต้องตายจากกันตอนนั้นก็อาจจะบรรลุได้รู้ว่ายังไงก็ต้องจากกันแล้วก็เลยตัดได้ตัดใจได้ฟองได้ปล่อยได้วางได้ไม่ยึดไม่ติดได้มันก็บรรลุได้ซึ่งก็คาลว่าส่วนใหญ่จะบรรลุก็นั่งบรรลุตอนนั้นแหะอย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็บรรลุตอนตอนจะตายเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวว่าต้ําตายแล้วก็ต้องสละทุกอย่างไปแล้วก็เลยทําใจตัดทุกอย่างไปได้ก็บรรลุได้ แต่ถ้ายังไม่ตายก็ไม่ยอมตัดใช่ไหม <c oughs> องถามจากคุณสายน้ำหากตั้งตั้งอธิษฐานการทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่ากันคนหนึ่งทำบุญด้วยเงินทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทครบเดือนเป็นเงินสามพันบาทอีกคนหนึ่งทำบุญเดือนละครั้งแต่ทำครั้งละสามพันบาทถามว่าสองคนนี้จะได้บุญเท่ากันไหมครับ ได้เท่ากันน่มันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราเสียสละไปแต่มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อาก จ, จะต้องพูดก็คือว่าเงินตัวปริบาณเงินนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะวัดความสุขใจของคนทำบุญแต่ละคนที่มีฐานะไม่เหมือนกันเข้าใจไหมสมมติว่าคนที่มีเงินอยู่พันหนึ่งเนี่ยทำบุญไปห้าร้อยเนี่ยเขาเสียสละไปต้องครึ่งเลงเขาจะมีความสุข ในระดับนั้นแต่ถ้าอีกคนนึงมีเงินหมื่นหนึ่งแต่ทําบุญห้าร้อยเนี่ยก็ เ, เสียสลับไปแค่ร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับคนที่เสียคนที่มีแค่พันหนึ่งคนที่ทําบุญห้าร้อยเนี่ยแต่มีเงินพันเดียวนยีกับคนที่ทำห้าร้อยแต่มีเงินหมื่นเนี่ยจะมีความสุขใจไม่เหมือนกันเพรนั้นมันจะดูตัวปราริมาณเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องดู ว่าสัดส่วนของเงินที่เราสละไปเนี่ยมันมากหรือมันน้อยในความที่ในใ น, ในสัดส่วนที่เรามีอยู่ที่เราต้องดูร้อยละเท่าไหร่ดีกว่าถ้าเราสละไปร้อยละห้าสิบเนี่ยอีกคนนึงสละร้อยละห้าเนี่ยคนสละร้อยละห้าสิบมันต้องมีความสุขมากกว่าคนที่สละร้อยละห้าเบรกเทียบเหมือนกับคนที่มีท้องเล็กกับคนที่มีท้องใหญ่เนี่ยคนที่ท้องเล็กนี่กินข้าวจานเดียวก็อิ่ม ตนนี้มีท้องใหญ่เนี่ยกินจานเดียวมันไม่รู้สึกอะไรอะ่ะมันทั้งสองหรือสมจานมันถึงจะรู้สึกเนี่ยเห็นคนที่มีเงินมากนี่แสดงว่าเป็นคนที่มีท้องใหญ่ถ้าอยากจะมีความรู้สึกอีกเนี่ยต้องทำมากตามปัตามปริมาณเงินนะแต่แต่คนที่มีท้องเล็กเนี่ยมันก็ไม่ต้องทํามากคนที่มีเงินน้อยแต่ทําเงินแต่ทําน้อย แต่มันก็ได้ความสุขใจมากกว่าหรือเท่ากันถ้าต่างคนต่างทําร้อยละห้าเนี้ยสมมติว่ามีพันหนึ่งทร้อยละห้าก็ห้าสิบาทใช่ไหมก็คนที่มีหมื่นก็ต้องทำร้อยละถ้าร้อยละห้าก็ต้องทำห้าร้อยถ้าอย่างนี้สองคนนี้ได้ผลเท่ากันได้ความสุขเท่ากันคนที่ทำห้าสิบบาทก็มีความสุขคนที่ทำห้าร้อยก็มีความสุขเหมือนกันแต่ในตัวคนเดียวกันเนี่ยถ้าทําเพิ่มมันก็จะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้น ถ้าเคยทำร้อยนะห้าทำห้าสิบาทนี้วันนี้มาทํำร้อยหนึ่งนี้มันจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่มันทำห้าห้าสิบบาทแล้วมันก็มีสองสองสองวิธีวัดความวัดบุญวัดที่ความรู้สึกใจของเราแล้วก็มีวิธีวัดอีกอันหนึ่งก็คือเงินที่เราทําไปแล้วที่เราจะได้คืนมาชาติเนี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทําแล้ว แตถ้าชาตินี้เราเรงินไปฝากธนาคารห้าร้อยเนี้ยชาติหน้ากลับมาเราก็ได้ห้าร้อยบวกดักเบีย้ยเนี่ยแต่ถ้าชาตินี้เราเรงินไปฝากธนาคารห้าพันเงี้ยชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะได้มาเบิกเงินห้าพันบวกดักเบีย้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยนะอยู่ที่ทํามากทําน้อยสําหรับชาติหน้านะแต่สําหรับชาติ น, นะตตนี้ถ้าต้องการความสุขใจนี้ก็ดูที่สัดส่วนของของเงินที่เราเสียไปเข้าใจไหม ต้องถามจากคุณวิลาวันหนูเพิ่งเสียลูกชายคนเล็กจากอุบัติเหตุหนูทุกข์และเสียใจเหลือเกินหนูจะทําอย่างไรดีคะก็อ okay. ย่าไปเสียใจสิราะเสียใจก็ไม่เล่ากลับคืนมาที่เราเสียใจก็เราอยากจะไม่อยากให้เขาจากไปเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องอยู่กับความจริงเราอย่าไปอยู่กับความอยากถ้าเราอยู่ก mm ับความจริงได้เราก็จะไม่เสียใจ ถ้าเราคิดว่าเขาไปแล้วถึงเวลาเขาต้องไปทุกคนเกิดมาแล้วถึงเวลาช้าหรือเร็วก็ต้องมีการไปกันทุกคนไปแล้วก็ไม่มีใครห้ามได้อยากให้เขาไม่ไปก็ก็ไม่สบายใจไปเปล่าๆอยากให้เขากลับมาเขา ก, กลับมาไม่ได้ก็ไม่สบายใจไปเปล่าๆนี่นเราต้องหยุดความอยากที่เราเสียใจเพราะเราอยากไม่ให้เขาไปอยากให้เขาอยู่เท่านั้นเอง คำถามจากคุณวิไลบางคนกลัวการที่ไปทําบุญที่วัดบ่อยๆแล้วฐานะจะยากจนลงเมื่อมีคนขัดขวางแต่ทําบุญไปเรื่อยๆโดยไม่ใส่ใจแล้วคนที่ทําบุญอยู่จะได้บุญไหมคะคนทําบุญอะได้บุญยิ่งทำจนทางยากจนไม่มีเงินเหนือยิ่งได้บุญเยอะอย่างเพราะอะไรเพราะจะได้ไปบวชได้ <c oughs> <c oughs> จะได้ไปปฏิบัติธรรมได้น จะได้บุญที่สูงกว่าได้หลุดพ้นได้ถ้ายังมีเงินอยู่มันก็จะเที่ยวหาความสุขจากการใช้เงินอยูมันก็ได้ความสุขแบบความสุขปลอมได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องไปหาใหม่แต่ถ้าเลิกใช้เงินหาความสุขได้มันก็จะได้ไปปฏิบัติทรรไปนั่งสมาธิไปบวชได้มันก็จะได้ความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจริงๆเหตนเป้าหมายของการทำบุญที่แท้จริงก็คือให้เรายากจนนี่คนที่ไปบวชนี่เขา ม, มีเิินนตดตดไปกกััคนเคําถามจากคุณวิไลลักษณ์การที่เราทําบุญถวายสังฆทานที่วัดกับการไปรอใส่บาตรบุญเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรคะก็อย่างที่บอกนี่นมันอยู่ที่เงินที่เราจ่ายไปไถ้าบุญถ้าเงินมากจ่ายที่ไหนมันก็ได้บุญมากกว่าจ่ายที่เงินมันน้อยกว่าถ้าไปทําบุญที่วัดจ่ายห้าสิบแล้วทําบุญที่อื่นจ่ายห้าร้อยเนี่ยมันก็ มันก็ต้องได้มากกว่าอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราลอยจากไปคําถามจากคุณกันบุญกุศลและอานิสงส์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับความจริงอนิสงส์นี่แปลว่าประโยชน์ส่วนบุญนี่คือความสุขใจมันต่างกันเวลาเราทําบุญเนี่ยเราได้สองอย่างคือหนึ่งได้ได้ความสุขใจจากการทําบุญประโยชน์ก็คือคนที่รักเขาได้รับประโยชน์ เช่นเราไปสร้างกุฏิให้พระอยู่อย่างเงี้ยก็ได้เกิดประโยชน์มีที่ว่าสายอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็บุญก็คือความสุขใจที่เราได้เสียสละเงินทองไปสร้างกุฏินี้แต่ถ้าไปสร้างกุฏิที่ว่ามันมีเต็นท์ไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่อย่างเนี้ยสร้างไปอันที่สก็ไม่มีสร้างไปแล้วก็กลายเป็นที่อยู่ของหมาอย่างเงี้ยไม่มีพระอยู่มันสร้างไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีอันิี่สงอะไรแต่มีแต่บุญที่เราได้เสียสละไป ดังนั้การก่อสร้างบางอย่างทางวัดป่าท่านถึงไม่นิยมสร้างกันเนี่ยเช่นสร้างโบสถ์เนี่ยเขาไม่สร้างกันหรอกเพราะว่ามันไม่มีอันนี้มันไม่มีประโยชน์สําหรับพระป่าพระป่าไม่ได้ใช้โบสถ์ทงพิธีกรรมอะไรต่างๆพระป่ามีศาลาก็พอละก็เลยไม่นิยมสร้างโบสถ์กันคําถามจากคุณพุธการติดสุขสงบในสมาธิถือว่าเป็นกิเลสไหมคะ คือการติดในความสุขที่เป็นสมาธินี้มันจะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อมันทำให้เราไม่ไปพัฒนาขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญาเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่เจริญปัญญาเลยอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิอย่างนี้เป็นกิเลสแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิแล้วเราเราเราติดสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆให้มันชำนาญให้มันเก่ ง, งนี้ไม่ติด ต้องทำให้มันชำนาญก่อนนั่งทําให้มันเก่งก่อนจนถึงพร้อมที่จะไปขั้นปัญญาได้นะเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนจบปสามแล้วเนี่ยยังไม่อยอมขึ้นปสี่สทีกี่ปีกี่ปีกลับมาก็อยากจะเรียนปสามเพราะชอบครูมั้งติดใจติดอยู่กับครูอย่างนี้ไม่อยอมขึ้นปสีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ติดเนี่มื่อถึงเวลาต้องขึ้นปสี่ก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็เรียกว่าติดแต่ถ้ายังเรียนไม่จบก็ต้องเรียนปสามให้ 3, มันจบก่อน ถ้ายังไม่จบไปขึ้นปออื่นก็เรียนไม่ได้อยู่ดีเพาะันจะเรียกว่าติดสมาธิหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรามีสมาธิให้ติดหรือเปล่าถ้าเรายังไม่มีสมาธิ <c oughs> ไม่เรียกว่าติดหรอกเราก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิให้มากๆจน ก, กว่าเราจะมีสมาธิเต็มร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราเต็มร้อยแล้วเรามันไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดแล้เพราะมันไม่ก้าวหน้าแล้วมันจะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิเท่านั้นเองถามจากคุณชาติยา อัปปนาสมาธิมีแค่แบบเดียวใช่ไหมคะโอ้อยลูกระเบิดเลยก็มันก็อัปปนากับคณิกะมันเป็นสมาธิแบบเดียวกันต่างกันตรงที่นานหรือไม่นานถ้ารวมแล้วนิ่งเดียวเดียวออกมาเรียกว่าคณิกะถ้ารวมแล้วตั้งอยู่นานก็เรียกว่าอัปปนาแล้วก็มีการนงเรียกว่าอุปจาระ อุปจาระนี่รวมแล้วไม่ไม่ไม่นิ่งรวมแล้วออกไปรับรู้นิมิตต่างๆนี่เรียกว่าเรียกว่าอุปจาระจาไนั้นมีมีสมาธิอยู่สามแบบรวมแล้วอยู่ได้เดียวเดียวชั่วขณะหนึ่งก็ถอนออกมาเรียกว่าคณิกะรวมแล้วตั้งอยู่ได้นานเป็นเป็นนานหลายนาที20นาที30นาทีนีเรียกว่าอัปปนาสมาธิ แล้วรวมแล้วไม่ไม่อยู่นิ่งออกมารับรู้นิมิตไปพบเทวดาไปพบพูดผีปีศาจไปท่องนรกท่องสวรรค์อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิคำถามจากคุณอภิวาสผมตั้งใจอธิษฐานก่อนภาวนาถ้าข้าพเจ้าจะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดานี้ขอให้มีนิมิตเป็นมงคลแล้วผมก็นั่งภาวนาพุโทโธไปเรื่อย แล้วเกิดนิมิตมีดอกบัวเข็มสีชมพูค่อยๆงอกออกมาจากที่มือที่วางประสานกันอยู่แล้วค่อยๆงอกมาประมาณหน้าอกแล้วค่อยๆบานในตอนนี้จิตผมปลื้มปิติคิดว่าเป็นมงคลมากเลยออกจากการภาวนาแล้วมานั่งดูนิมิตนั้นมันเป็นมาอย่างไรขอความเห็นจากพระอาจารย์ครับนิมิตมันก็เป็นมาจากใจเราแหละมันก็ออกมาจากใจของเรา พอเราไปโน้มน้าวให้มันผลิตอะไรขึ้นมามันก็จะผลิตตหล่านั้นขึ้นมาซึ่งไม่ได้เป็นตัวประเด็นสำคัญจะมีนิมิตหรือไม่มีนิมิตนี่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราบรรลุหรือไม่บรรลุเหตุที่ทำให้เราบรรลุหรือไม่บรรลุต้องมีสมาธิจิตต้องรวมเป็นอุบเบกขาแล้วก็มีปัญญาเน้นการมีนิมิตไม่มีนิมิตนี่ไม่สาคัญ ถ้ามีแล้วไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็บรรลุไม่ได้อยู่ดีเห็นต้องเน้นไปที่การเจริญ ส, สติเพื่อให้มีสมาธิให้จิตนิ่งเป็นสักแต่ว่ารู้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะต้องจากเราไปไม่ได้เป็นของเรามันจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆจะได้หยุดการยึด ติดอยู่กับสิ่งต่างๆได้มันก็จะหลุดพ้นได้หมดแล้วยังหมดหมดแล้วเหรอตรงนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีแล้วนะหมแล้วนอะอาจารย์เห็นหผู้ประสานผิดจริงนะครับอ๋อ<ม>ก็ใครไปอยู่เมาองนอกมาตามที่ยังไม่ได้บวชไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศะไปจบปริญญาตรีที่สหรัฐจบวิศวะที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ตอนนั้นยังไม่ได้บวช น, นะพอจบแล้วก็ไม่ได้ทํางา น, นก็มาบวชต่อ<น>พอกลับมาได้อ่านหนังสือธรรมะก็เลยสยนใจก็เลยศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ลองปฏิบัติ ด, ดูปฏิบัติแล้วก็ได้ผลพอพ อ, พอสมควรก็เลยติดใจก็เลยบวชบวชก็บวชมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเป็นบวชอยู่กับหลวงตามหาบัวบวชกับสมเร็จสังฆราชที่วัดบววแล้วก็ไปอยู่กับหลวงตามหาบวัวบวที่กรุงเทพก่อน อยู่ที่กรุงเทพประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งแล้วก็ไปอยู่กับหลวงตาอยู่ประมาณ9ก้าพันศา8ปีกว่าไม่ครบ9ปีแต่ครบ9พรรษาออกออกพันศาพรนศาสิก็มาอยู่ที่พัทยาหนึ่งพรนศาในพรรษาสิเอมาก็มาอยู่ที่วัดยาง น, นี้จนถึงวันนี้ปี27จ็ถึงวันนี้ก็สาสิปีแล้ว ประวัติสั้นๆง่ายๆเอาแล้วนะพี่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสพิเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธาน